ب سم الله الذي لا يدمر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمين ل ي م بسم الله الذي لا يدمر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السمين أليم بسم الله الذي لا يدمر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو ا ل س م ي ل ي م اللهم فقه في دين وعلم تأويل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และก็ตาละประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานในช่วงเวลาที่มีความพิเศษก็คือในเดือนรอมฎอนนะครับเดือนรอมฎอนนั้นถือว่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนโปรโมชั่นนะ ถ้าเป็นนักช็อปนี่ก็เรียกว่ารดลดแลกแจกแถมการประกอบอามันอิบาดาในช่วงของเดือนรอมฎอนจะมีการเพิ่มพูนคุณงามความดีเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้าพี่น้องอ่านคุรานในเดือนอื่นถามว่าได้บุญไหมได้อักษรละสิบความดีแต่พอเวลามาอ่านในเดือนรอมฎอนและพี่น้องถือสินอดด้วยหรือไม่ได้ถือก็จะได้รับการเพิ่มพูน ความดีในแต่ละตัวอักษรเข้าไปด้วยซึ่งในฮะดิษบอกไว้ว่ามันจะเพิ่มได้ถึงเจ็ดร้อยเท่าเจ0ดร้อยเท่านะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสิบแล้วนะหนึ่งต่อเจ็ดร้อย่าหรืออาจจะมากเกินกว่านั้นนะจนไม่สามารถจะคานานับได้ดังนั้นแน่นอนนะครับว่าการอ่านทุกตัวอักษรในเดือนอมรอนนั้น มีคุณค่าที่เพิ่มพูนเพราะเป็นชาห์รุนมูบาโรกุลเป็นเดือนที่อัลลอฮ์นั้นให้ความจำเนิญและสาเหตุที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละได้กําหนดให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือสินอดเนี่ยอุลามะอธิบายก็คือสาเหตุมาจากการประทานอันกุรานนี่แหละครับเพราะกุรานถูกประทานในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จึงกาหนดให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการถือสินอดในภาคฟัดดูนะกรนี้ เราถึงสุรอ้อนนิซานะครับสุรในลาดับที่สี่บางคนบอกอาจารย์ดินบะกรอมาอาลิมรอนแล้วนี่เป็นสีได้ไงล่ะเพราะว่าอย่าลืมฟาดิฮ่าฟาติฮ่านี่นับเป็นสุรแรกฟราดิฮ่า ท, ที่สองก็คือบะกรออาลิมรอนอาลิมรอ น, นีกสองร้อยายะสุรอ้อนนิซาหรือว่าอันนิซาเนี่ยมีจำนวนทั้งหมด176อยหอายะ ไม่ธรรมดานะยาวเหมือนกันนะครับและเป็นสุรอม า, านิยะถูกประทานลงมาหลังจากนาบีอพยพทั้งหมดเลยเพราะเป็นหุกกมที่มีความละเอียดโดยเฉพาะเรื่องราวของมรดกการแบ่งมรดกนะ เ, เดี๋ยวเราจะมาดูถึงความประเสริฐของสูรอ้อนนี้มีฮะดิษบทหนึ่งนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเริ่มต้นอ่านฟติฮาก่อน أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ฮ์ม ل น ا ัลราฮ ا ل อัลฮะมดุลล ل ฮ ر รับ ع ิลกา อ ر ح م ن ا ل มาน م ร ل ر ห م ม ا ل ر กีย م ม ل ด يوم อ ل د ي ن إياك ن عبد ุ إ อ ا ك ن น ت ع ي ن ต อิห <says, S 1> ์ดีนั Twelve, ้ลศิราตัลมุสตักَมศิราตัลที่นั้นอันงามต์ عليهم ศิราตัลที่นั้นอันงามต์ عليهم ไม่รับผิดชอบต่อพวกเขา อามีนความประเสริฐของสุรอ น, นิสานะครับมีฮะดีษที่รายงานมาจากอิมนุอับบาส บอกว่าสุร้อนิซาเนี่ยถูกประทานลงมาที่นครมดีนะอัลฮากิมได้บันทึกในหนังสือมุสตาดรอของเขาบอกว่ามีรายงานมาจากอับดุลอับดุลลาบินมัสยูดรอดิยัลลอฮ์ุอันผู้บอกว่ า, วาแท้จริงในสุร้อนิซานี้จาก176ข้อเนี่ยมีอยู่ห้าข้อที่ทำให้ฉันน่ดีใจยิ่งกว่าการ ได้โลกนี้หรือสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดมาครอบครองพอรู้ว่ามีห้าอายน่นี้หรือเข้าใจในความหมายของอ้ายานี้เนี่ยดีใจมากๆเลยอายาที่หนึ่งเป็นอายะที่สี่สิบในสุรานิซาเดี๋ยวเราค่อยเรียนกันถึงรายละเอียดนะเอาแค่ความหมายก่อนอัลลอ์บอกว่าอินนัลลอฮะเลย์ลิมูมิสกอลและดารรอติน แท้จริงอัลลอฮ์ะจะไม่ทรงอาธรรมแม้แต่เพียงน้ำหนักเท่าผงธุลีแปลว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาละจะคิดคำนวณทั้งหมดเลยแม้ว่าความดีนั้นจะเล็กน้อยเท่ากับผงธุลีจะจะเก็บรักษาแล้วก็ตอบแทนให้กับบ่าวของพระองค์วอินตะกวอินตะกฮะซะนันนะและถ้าหากมันเป็นสิ่งที่ดี อย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยอยู่ดไิฟฮาพระองค์ก็จะทรงเพิ่มภูนให้มันทวีคูณขึ้นไปอีกอในสายตาของมนุษย์เนี่ยอาจจะมองแค่ว่ามันไม่น่า จ, จะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างพี่น้องมาเรียนกุรหันวันนี้น ะ, <c oughs> ะแต่จริงๆมันเรื่องใหญ่นะ <c oughs> หมายถึงได้ผลบุญเยอะหรือแม้กระทั่งการยิ้มในทาริสนาบีบอกแม้กระทั่งการยิ้มให้กับพี่น้องของเราเนี่ยก็ได้บุญแล้ว เพราะว่าคนที่เราเห็นรอยยิ้มเราเขาก็มีความมีความสุขมีความสบายใจนะั้น บ, บีบอกยิ้มก็เป็นสตอร์โก อ, อย่างหนึง่งวายุติมินมินละดุนหุอั จ, จรอนอัลีมาและพระองค์ก็จะเพิ่มพูนความดีนะั้นและก็ทานรางวัลที่ยิ่งใหญ่จากที่พระองค์ประทานให้อายะนี้เป็นการให้กําลังใจสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทําอามันอิบาร์ดะโอ้โหทั้งวีทั้งวัน แต่ก็มีบ้างบางคนบริจาคเนี่ยมื่อวันก่อนฉันได้ยินนะเขาขายข้าวเนี่ยทุกจานเนี่ยหนึ่งบาทก็จะหยอดไว้เลยให้เด็กกำพา้าวันนี้ขายได้สิบจานสิบบาทให้เด็กกำพา้าบางวันขายได้ห้าสิบจานหนึ่งบาทดูเหมือนไม่เยอะนะรวมๆกันนี่มาหาศาลเหมือนกันนะครับนะทุกวันแสดงว่าจะมีเงินเยอะแล้วสักยี่สสาสิเนี่ยทําบุญทุกวันให้กับเด็กกำพ้าเนี่ยนะแบบเนี้ย S Allah s u b h a n a h u w ต t a าจะเอามาคิดแมก้กระทั่งคนที่บริจาคเพียงแค่บาทเดียวอายะที่สองก็คืออินตะจัตะนิบูกกบอิร์ Allah บอกว่าถ้าหาพวกเจ้านี่ปรีกตัวออกจากบาปใหญ่ๆที่พวกเจ้าเนี่ยถูกห้ามให้ละเว้นนะมาตุนหฮวนะอันหุนูกฟิรอันก um ุมไซอาติกุม และเราก็จะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆของพวกเจ้าออกไปจากพวกเจ้านะวานุดอคิลกุมมุดดะคอรแลนแกรีมาในอายะที่สาสบอดนะและเราก็จะให้เจ้านะ่อยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติก็คือในสวรรค์ของลอสุบฮานหัวตาลาประเด็นตรงนี้ก็หมายความว่าบาปใหญ่ๆพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับจะไม่หลุดด้วยกับ การทําอามาัตในรอบวนันเช่นการละหมาดการอาบน้ําละหมาดการถือศีลอดที่บอกว่ามันซอมารอมารดาอีมานันวัติซาบันกูฟิโรลาหูมาตะกัดดัมมินดัมบีคาถามว่าคนที่ทําซินาคนที่กินเหล้าเนี่ยทําไ้ตบัดตัวเนี่ยโดนลบไหมไม่โดนอ่าไม่โดนลดบาปต้องตะบัดตัวกับเนื้อกับตัวอย่างเดียวเพราะเป็นบาปใหญ่แต่ในอายะห์นี้บททัตเจ้าปลีกตัวออกจากบาปใหญ่ทั้งหมด ไม่เคยไม่ได้ไปกระทําบาปใหญ่บาปที่เป็นเนี่ยเป็นบาปเล็กๆเท่านั้นนะก็อัลลอฮ์ก็จะลบล้างให้ด้วยกับการที่เราละหมาดฟัดูฮ่าเวลาอาบนา้ําละหมาดนะทำ ค, ความดีต่างๆก็จะถูกลบไปเปรียบเสมือนกับคนคนนั้นแทบจะไม่มีบาปลงเหลืออยู่เลยแม้กระทั่งเดินไปแล้วหนามตามเท้าอัลลอฮ์ก็ลดบาปให้แล้วนะบาปเล็กๆเนี่ยอัลลอฮ์ลดให้ตลอดนะ ต่อมาอายะที่3บอกว่าอินนั่ลลอฮฺะลาญกรุอ้ายยุชริกะ bih ะวยญกรุมัดูณะ ذلك ลิไม่ลิไม่เยชะแท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษให้กับการที่ให้กับการที่ให้มีพาคีขึ้นแก่พระองค์ชิริกใหญ่อัลลอฮฺไม่ให้อภัยโทษว่าไม่ยุชริกบิลละและพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษ วายะฟิรุมาดูนาซาลิกและพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษนะให้กับสิ่งอื่นๆ น, นอกจากเรื่องของชิริกนะนอกจากเรื่องเชลิกเท่านั้นนะที่อัลลอฮ์ไม่อภัยที่เรื่องอื่นเนี่ยพระองค์ทรงอภัยให้ลีมาเยชะสาหรับที่สําหรับบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ว่าไม่ยุชลิกบิลลาฮิฟะกัดิฟตารออิฟมันอาลซีมา และผู้ใดที่ตั้งภาคีแก่เอาล้อแล้วแนนอนเขาจะได้เขาก็ได้อุปโลกบาปกรรมอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาหรือได้กระทําบาปที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาตรงนี้แม้กระทั่งคนที่กินเหล้าคนที่เล่นการพา น, านันคนที่ทำสินาะนะแล้วก็ตายโดยที่ไม่ได้ต้าบัตรตัวก่อนเนี่ยถ้าหากเอ AH าล้อจลาภัยโทษก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่จลาภัยให้อ่าเป็นไปได้นะเอ AH าล้อาจลาภัยได้ก็ได้หรือพระองค์จะลงโทษก็ได้ขึ้นอยู่กับ ความเมตตาของพระองค์เลยนะครับแต่มีอยู่เรื่องเดียวที่อัลลอ์คาดโทษเด็ดขาดว่าไม่มีทางให้อภัยเลยก็คือเรื่องของการตั้งพาขคีทำชีริกต่อ Allah. อัลลอ์สีอายะที่บอกว่าว่าเราอันนะหุมอิดดะละมูอันฟุสะหุมและแม้ว่าพวกเขานั้นขณะที่พวกที่อาธรรมแก่ตัวเองได้มาหาเจ้า นะหมายถึงคนที่ทําบาปทําผิดคำว่ า, าทำนี่หมายถึงคนที่แบบ first star ferul แล้วขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ was star f a และหุม่มรอดซูลและก็ขอและขอและก็ได้ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วยแล้วและรอดซูลก็ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาด้วยแล้วแน่นอนพวกเขาก็ย่อมพบว่าอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อภัยโทษเสมอ อ่คือตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานตัวเองขอนะอิสติกฟาดไม่ใช่ตาบัดตัวนะอิสติกฟาดขอพยโทษที่เรากาวเนี่ยอะไรอัสตักฟิรุลออัสตักฟิรุ ล, ลอเนี่ยและนบีก็ขอให้พวกเราด้วยนบีก็ขอให้เราด้วยนะและคนที่กระทำแบบนี้ให้รู้ไว้เลยว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยและเมตตาเสมออ่ามันเป็นการซักฟอกในตัวเรายิ่งเราก่าวอิสติกฟาดเยอะๆยิ่งเป็นเรื่องดีสำหรับเรา อันนี้พี่น้องสําหรับทั้งคนที่บางคนอย่าไปเข้าใจนะเห็นอาจารย์นำตัติ๊มเนี่ยนั่งรถกับอิสติกฟายสงสัยบาปเยอะอเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะันาบีของเราเนี่ยนะไม่มีบาปเลยเนี่ยแปดสิบครั้งอ่าแปดสิบถึงร้อยอ่ะไม่มีบาปอ่ะและเราเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแหละยังตำตาใเราต้องมากกว่านาบีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีบาปนะนั้นการกล่าวอิสติกฟาสเป็นประจําเนี่ยนั่นคือเราจะได้รับอภัยโทษ นะนี่คือเครื่องมืออันนี้เราเราไม่รู้ด้วยว่าเราทำบาปอะไรเราก็อิสติกฟาร์ไปมีเป็นกระบุงกีบอกนะแต่เรามาดอนนี่น่าจะไม่เหลือแล้วนะอัลลอ์ให้ห้าอายะสุดท้ายว่ามัยยะมันซูอันเอายะลิมนะผู้ใดที่กระทำความชั่วหรืออาธรรมแก่ตัวเองหรือทำบาปกับตัวเองนับซะหูซุมมยัสต์ฟิริลลาฮ และหลังจากนั้นเขาก็ขออภัยโทษต่ตออัลลอฮ์เีดิเจจีดิละฮฟูรอรอฮีมาเขาก็จะพบว่าอัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอพี่น้องฟังอายะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตั้งแต่ห้าอายะมาเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรการให้อภัยโทษโอกาสสำหรับคนที่ทำผิดจะเป็นบาปเล็กบาปใหญ่ นะถ้าบาปใหญ่ก็เตาบัตตั ว, ตวแต่ถ้าเป็นบาปเล็กๆ เ, เนี่ยหมดเลยนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าป็นเหลือแล้วเราะหมาดครบห้าเวลาอาบน้ำละหมาดอย่างดีน ะ, อ, ะอิสติกฟาดบ่อยๆนี่คือเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยสะอาดจากการทำบาปแม้ว่าเราจะกระทำมันโดยที่ไม่ได้เจตนาหรือเจตนาก็ตามแต่เรากล่าวอิสติกฟา์เยอะๆเนี่ยเป็นการซักฟอกตัวของเรานะครับอ่ะนี่คือความประเสริฐของสุรานิสาที่ ถูกกล่าวไว้นะครับในอัลฮากิมต่อมาครับอายะที่หนึ่ง أعوذ بالله من الشيطان الرجيم อ่ะแบบนึงนะบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim ya ayuhan n a s u t t a q u r a b อ a k u um ก u l l a d h الذي خلقكم من نفس واحدة <ال> من وخلق وا منها زوجها وبث มَนหูมะและก็มิَฮะและก็ฮะวับัตถَมินหูมะวับัตถ์มินหมะร ج ا ء ًรนิ ทัก ال ุ ل َอฮฺ الذي تسألون به والأرحم อินนัลลอฮะแค่นั้นให้คุมรักีบะอ่ามาดูความหมายนะครับยาอิยูฮันนัสโอมนุษย์ทั้งหลาย พี่น้องสังเกตนะถ้าอัลลอฮฺซุบฮานาะหูวะตาลาเรียกยาอายุหฮันนัสจะเป็นเรื่องของที่ทั้งผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธาเนี่ยต้องยอมรับกันทั้งหมดเพราะไม่ใช่ว่าเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อใดที่มีคำว่ายาอายุหฮันลาดีนาอามานูเนี่ยจะเป็นเรื่องของอิบาดะที่อัลลอฮฺสัง่งใช้สังเกตนะ ถ้าเป็นเรื่องอิบาร์ดาที่สั่งใช้สั่งห้ามใช้คําว่ายาอายุฮันลาดีนาอามานูแต่ถ้าเป็นประโยคที่บอกถึงสัตธรรมเช่นการสร้างมนุษย์ใช้เห็นมนุษย์่นะอิบาร์ดาต่อลรอซึ่งจริงๆเนี่ยเอาเราใช้ทั้งหมดนั่นแหละแต่มันมีคนเชื่อไม่เชื่ออีเรื่องหนึงให้ตองได้เลยเนี่ยอันนี้จะใช้คําว่ายาอายุห uh ันนาแสดงว่ากว้างกว่ากว้างกว่าคือมนุษย์ทุกคนถ้าเรียนตัวเองว่าเป็นมนุษย์เนี่ยอยู่ในอายานี้หมดเลย แต่ถ้าเป็นอายะที่เรียกว่ายาอายุทันดีนาอามนูอันนี้เฉพาะคนที่เป็นผู้ศรัทธาให้ละมาให้ถือสินอดนะครับแต่เบื้องต้นของคนที่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ให้รับอิสลามก่อนถึงจะเป็นการปฏิบัติเรื่องอามันไม่ว่าจะเป็นละมารหรืออิบารัดอื่นๆต้องรับอิสลามหรือต้องเป็นผู้ศรัทธาก่อนอัลลอฮ์เรียกโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลาย อิตากูแปลว่าจงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านะรบบากุมุลแลดีพระเจ้าของพวกเจ้านะพวกเจ้าพระเจ้าของพวกเจ้าที่สร้างได้บังเกิดก็ได้ครับใช้คำว่าบังเกิดพวกเจ้ามาอันแลดีค้อแรกก็ ก, กุมมินนับซิลมาจากชีวิตหนึ่งนะมินนับซิล ว, วาไฮเด มาจากชีวิตหนึ่งและก็ได้ทรงบังเกิดจากชีวิตหนึ่งวะค้อแล้วก็มินฮาเาจาฮ า, าและทรงได้บังเกิดจากชีวิตนั้นเนี่ยไม่ใช่หนึ่งแล้วนะชีวิตนั้นคือเกิดคนแรกก่อนคอคือนบีอาดัมหลังจากนั้นต่อยอดจากนาบีอาดัมก็เป็นพนางฮาวะเป็นใครเป็นเ จ, จ้าเป็นคู่ครอง อเป็นคู่ครองของเขาและก็ได้ให้ชายและหญิงจำนวนมากวบัตส์มินฮูมาจากสองคนเนี้ยแต่งงานกาันมีการขยายเผ่าพันธุ์เออใช้แบบนี้ดีวกว่า น, นะขยายเผ่าพันธุ์ออกมามีอยู่สองเพศเท่านั้นแหละก็คือเพศชายและก็เพศหญิง อ, อ ไอ้ประเภทที่ออกมาเป็นชายแล้วเป็นผู้หญิงอันนี้ไม่มีอ่ะอันนี้เปลี่ยนเองข้างนอกปกติออกมามีสองเพศไปถามหมอได้เวลาหมอมาก็จะถามบอกไ ด, ได้เพศอะไรจ้าเขาก็บอกเพศ ช, ชายเพศหญิงดูจากลักษณะกายภาพของของเด็กนะพูดง่ายๆถ้ามีมีมีจู ก, กับผู้ชายนะั่นแหละนะนะประมาณนั้นนะขอมาอัปด้วยหลังจากนั้นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอิสลามก็อนุญาต ให้พี่น้องแต่งงานกันได้เพราะทําไม่งั้นทําให้พี่น้องไม่แต่งงานก็จะมีมาถึงเราเหรอสมัยสมัยอาดำนะแต่เท่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีเยอะแยะแล้วไปเอาคนอื่นพี่น้องนี่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ตอนนั้นยังอนุญาตให้แต่งงานพี่น้องกันได้หลังจากนั้นก็ขยายไปเลยพอมีมนุษย์จํานวนมากคราวนี้ข้อห้ามต่างๆก็เริ่มเป็นรู ป, ปธรรมมากขึ้นการแต่งงานในสมัยพี่น้องอพี่น้องแต่งงานกันได้มีเฉพาะในสมัย น, บ, นบีอดาอดัมเท่านั้นนะครับ ก็กลายเป็นดีจารันกาซีรอนวานิซาอาแพ่สะพัดออกไปนะจากชายและหญิงนะวัตตะกุลลอฮ์ัลละีตะซาอาลูนับบิฮิวัลอาหรามและจงยำเกรงอัลลอฮ์ที่พระเจ้าต่างขอกันโดยอาศัยพระองค์นะสิ่งที่ เราขออุทิศจะเอาลอสุบฮาห์นหัวตาลาวิงบอลขอเนี่ยนะให้เรานั้นมีความยำเกรงต่อองค์โดยนั้นมารยาทในการขอดูอาเนี่ยต้องมีความตักวายยำเกรงนะไม่ใช่กําลังอะไรฮึเกเขิมจากการทําชั่วแล้วขอดูอานะเอาลอไม่รับหรอกต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีความเกรงกลัวอัลลอฮ์และให้พึงรักษาเครือญาตนะิตรงนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเป็นการรักษา ทางสังคมเราไม่ให้มีการทะเลาะบบาแวงกันนะบางคนก็ใช้คําว่ากินข้าวหม้อเดียวกันกัดกันก็อย่างกว่ากันไปเออแต่ตอนกินข้าวก็กินข้าวหม้อเดียวกันอย่าว่าดินข้าวหม้อเดียวเลยกินนมเต้าเดียวกันด้วยพี่น้องเนะ่ะถ้ากินนมแม่นะักกินเต้าเดียวกันนั่นแหละแต่พอเวลาโตมามแทบจะไล่ฟันกันไล่ข่ากันเพราะอะไรนี่ไง ลนี่แหละเป็นบาปพี่น้องการตัดญาติขาดมิตรการการอะไรนะการไม่รักษาเครือญาติตงนี้เ ป, นปเป็นบาปใหญ่นะแท้จริงอัลลอ์นั้นทรงสอดส่องดูแลพวกเจ้าอยู่เสมออาย่านี้พี่น้องนยฟังแล้วไม่กล้าทำบาปเลยเพราะลอ Allah ทรงสอดส่องนะดูพวกเจ้าอยู่เสมอนะไม่มีคำว่าเผลอสำหรับ Allah. อัลลอฮ์ธรรมดุดเรานี่เผลอได้ใช่ไหม เผลอไปปุ๊บเราก็หนีออกจากบ้านได้มะหลับแล้วเดี๋ยวตีสีค่อยกลับมาใหม่นะมายังไม่ทันตื่นสมมุติเอออันนี้มะเผลอใช่ไหมแต่อัลลอฮ์นี่ไม่เผลอเลยพ่อพระองค์นั้นทรงสอดส่องดูทรงสอดส่องดูพวกเราอยู่เสมอใช่นะกล้ชิดด้วยนะมาดูคำอธิบายนะให้ยำเกงต่อละและ ล้ำลึกถึงการสร้างของอัลลอฮ์และให้ติดต่อเครือญาตินี่คือหัวข้ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาละได้ตัดใช้มนุษย์ให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นั่นก็คือให้เคารพพักดีต่อพระองค์อัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวโดยไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์และเตือนให้พวกเขาทราบถึงเดชานุภาพของพระองค์ที่ได้ทรงบังเกิดพวกเขามาจากชีวิตหนึ่งนั่นก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามการสร้างของนบีอาดัมเนี่ยไม่มีต้นแบบเลยนะ ไม่มีแบบเลยเขาเรียกว่าบาดีบาดีคือทำขึ้นมาใหม่มนุษย์ตอนนั้นยังไม่มีเลยอ่าเป็นเป็นสิ่งประดิษฐ์แรกที่อัลลอ์นั้นได้สร้างขึ้นมาจากไม่มีรูปแบบมาก่อนเลยก็คือนบีอาดัมแล้วก็ได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ของเขาก็คือพนางหาวถูกสร้างมาจากกระดูกซี่โครงข้างซ้ายของอาดัม โดยที่เขาก็ไม่ทราบว่าถูกสร้างในขณะนั้นเพราะสร้างตอนไหนรู้ไหมตอนนอนหลับอ่าตอนนอนพอหลับปุ๊บตื่นมาทีนึงผู้หญิงมาอยู่ข้างๆแล้วเออพอเขาตื่นขึ้นมาก็เห็นนางก็เกิดความรักนี่เขาเรียกว่าตกอยู่ในภวังเห็นความรักนั้นผู้ชายเนี่ยไม่แปลกนะรักแรกพบเห็นปุบ๊บชอบเลยเหมือนนบีอาดัมเห็นปนางคาวาครั้งแรก นะก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วยเลยนะกีนะทำไมรักกระยุงเหมือนกันนะไม่มีให้เลือกเลยมีคนเดียวเออนะของพวกเรามีทางเลือกเยอะแยะนะแต่นี่ด้วยกับสนีของสตรีท่านแรกก็คือพระนางขาวะพอมองปับ๊บเกิดความรู้สึกรักความชอบนางดังนั้นเขาจึงเวลารักทำไงต้องเอาใจใส่ต่อนางเอาใจใส่เป็นห่วงเป็นใ ย, ยจะกินข้าว นะก็ต้องดูเลนะเมื่อคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเอาใจใส่แล้วนางก็ตอบแทนเขาด้วยการเอาใจใส่เขาเช่นเดียวกันต่างคนต่างเอาใจเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเห็นไหมนี่ความน่ารักของท่านอบีอาดามกับพระนางคาวาก็เอามาใช้กับพวกเราเวลาอยู่เป็นคู่กันไม่ใช่ว่าไอ้คนนึงห่วงอยู่ฝั่งเดียวไอ้คนนึงไม่ห่วงกันเลยไม่ใช่ต้องห่วงซึ่งกันและกันนะเพราะการให้อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการรับเลยเนี่ยวันหนึ่งรักมันก็จะจืดจาง ทำให้เขาอย่างเดียวเลยแต่เขากลับไม่เห็นคุณค่าเราเลยรักจืดจางนะต้องต่างคนต่างเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันในขดิษซอเฮียได้ระบุว่าอินนันมาราต้าคูลิกอตมินดีลัยนแท้จริงสตีนั้นถูกบังเกิดมาจากกระดูกซี่โคงว่าอินนะว่าจะใช้อินฟีฟิดดละอลหูและแท้จริงส่วนที่คดงอมากที่สุดก็คือส่วน มากที่สุดของก็ดูกซี่โครงก็คือส่วนบนส่วนบนเนี่ยปลายซี่โครงอ่ะพี่น้องส่วนบนสุดอ่ะงอสุดแล้วอฐานมันตั้งไปมันแล้วมันงองอตรงไหนง อ, อตรงปลายมันน่ยส่วนบนใช่ไหมถ้าหากว่าฟาอินザฮัปตะตะกีมาหูกะ ก, ะ ก, ะส ก, ะกะสัสรถกะกัสกะซาร์ตะหูถ้าหากจะดัดมันโดยไม่มีศิลปะเขาเรียกว่าตรงตร ง, งทื่อๆเลยหัก กระดูกหักหมดเพราะมันโคง้งถ้าไม่รู้ถึงศิละปะไม่ใช่ศิละปะเขถ้าไม่รู้ธรรมชาติของสตรีเนี่ยผู้ชายคนนั้นอยู่กับผู้หญิงไม่ได้หรอกแนะนําให้อยู่คนเดียวถ้าไม่เข้าใจว่าอารมณ์ผู้หญิงงอนเป็นยังไงนะและจะหักอย่างเดียวนะพังต้องรู้วันช่วงนี้นางขี้งอนหน่อยช่วงนี้นางอา่ออะไรนะหวั่นไหวหน่อยต้องต้องเอาอกเอาใจเป็นพิเศษนะจะไปแข็งอย่างเดียวไม่ได้ ว, บบว่าอินิสตัมตาจะบีหานบีบอกว่าให้หาความสุขกับนางได้อ่าถ้าท่านหาความสุขกับนางเนี่ยท่านก็หาความสุขกับนางได้ถ้าดูแล้วในความงอของนางเนี่ยมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยพึงพอใจแต่มองรวมๆแล้วดูมีเสน่ห์ดูแล้วน่ารักก็ให้หาความสุขกับนางได้แต่ถ้าดูแล้วงอเหลือเกิน งอแบบไม่มียอมเราเลยเดี๋ยวนะอันนี้ก็หาคนใหม่หรือหาหรือปล่อยไปหว่ากันไปแต่ยังพอที่จะอยู่กันได้นะอารมณ์อร่อยกันได้ก็ยห้หาความสุขกับนางในการอยู่กันเป็นชีวิตคู่โดยที่ในตัวนางนั้นก็มีความคดงออยู่นั่นแหละนะพีบอกฟอฟิ้ยยวไม่ได้แปลว่าที่อยู่ด้วยเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่มีงอนเลยนะไม่ใช่นะก็ยังงอนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่รับกันได้ เออเห็นไหมความสวยงามที่นบีสอนนะไอ้ที่อยู่กันเนี่ยกี่ไม่ใช่ว่าภรรยาตนะินัมเบอร์วันไม่มีงอนนะมีทั้งนั้นแหละแต่ทํำไมเขาอยู่กันได้ล่ะเพราะเขาเอธิษบานนี้มาบอกไงว่าเป็นเลือดปกติธรรมชาติของผู้หญิงอันนี้สอนผู้ชายเลยนะถ้าจะอยู่กับผู้หญิงได้นะต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงซึ่งดํำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าและได้ทรงทำให้ชายและหญิงจํานวนมากสะแพรสพัดออกไปทั้งสองก็คือมีผู้ชายและผู้หญิงจํานวนมากเกิดขึ้น หลังจากนาบีอาดัมและพนางฮาวาอยู่ด้วยการแต่งงานกันโดยพระองค์ก็ได้ให้กระจัดกระจายไปอยู่ส่วนต่างๆของโลกมีหลายประเภทประเภทผิวสีผิวดำผูดภาษาต่างกันไปนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องผูมมีหมานทั้งหลายจะสีไหนก็แล้วแต่จะเตีย้ยจะดำจะขาวทั้งหมดต้องกลับหาเอาล้อทั้งนั้นแหละไอเทว่าสวยๆนะถามว่าไม่ตายหรอแม้แต่ง ส, ว, สวยเชยสุดท้ายตายกลายเป็นสมเหมือนเดิม อคีเลตายไหมก็ตายเหมือนกันผิวดําก็ตายผิวขาวก็ตายแต่นั่นคือความแตกต่างที่อัลลอฮ์สร้างมาแต่สุดท้ายบรรพายชีวิตเหมือนกันหมดคือกลับไปหาอัลลอฮ์นะหลังจากนั้นอัลลอฮ์บอกว่าไงเมื่อต้องตายต้องไปไงจงยำเก่งต่อรอเนะี่ยอย่าคิดว่าตัวเองหลอ่อตัวเองสวยแล้วจะไม่ตายนะเดี๋ยวก็ตายนะหรือคีเลไม่มีใครชมกันเลยเดี๋ยวก็ตายเหมือนกันสุดท้ายกลับไปไหนจงยำเก่งต่ออรอ ออมล้อที่พวกเจ้าต่างขอกันโดยอาศัยพระองค์ที่เราขอนี่แหละที่เราขอต่อล้อนนี่แหละยำเกรงต่อรลอนและพึงรักษาเครือญาติคือจงยำเกรงต่อรลอนด้วยการที่พวกเจ้าเนี่ยพักดีต่อพระองค์พี่น้องครับอายา ต, ต่อมาอาลัลลอฮ์ได้พูดถึงเครือญาตินะขออนุญาตใช้ใช้เวลาสักนิดหนึง่งและพวกเจ้าจงระมัดระวังในเรื่องเครือญาติที่ตัดขาดและไม่ติดต่อกัน จงทําดีต่อเครือญาติและติดต่อสัมพันธ์กับพวกเขาอิมุอับบาสได้อธิบายเอาไว้คําว่าอัรหามตรงนี้นะก็คือถ้าจะแปลคือมดลูกคนที่มาจากมดลูนะุส่วนญาติตรงนี้ก็หมายถึงญาติทางด้านสายเลือดเนะี่ยญาติจะมีด้วยกันสามแบบนะแบบแรกก็คือญาติทางสายเลือดญาติอีกประเภทหนึ่งเนี่ยเรียกว่าญาติจากการแต่งงานเขาเรียกว่าดองกันภาษาคนโบราณเขาบอกดองกัน จากตระกูลสองตระกูลไม่มีความเชื่อมพันกันดัน้นเป็นญาติเลยแต่บดองก็ปับ๊บกลายเป็นเป็นญาติเลยเห็นไหมแต่ไม่ไม่เหมือนกับอารามแต่ศาสนาก็สอนให้ทําดีนะพอตาแม่ยายก็ต้องทำดีแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เท่ากับพ่อแม่แท้ๆเพราะว่านี่มาจากหมดลูกอ่ามันมาจากสายเลือดนะีแต่ก็ให้ทำดีทั้งหมดแหละต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าที่พระองค์บอกว่าแท้จริงพระองค์นั้น เป็นผู้ที่สอดส่องดูแลดูดูแลพวกเจ้าอยู่เสมอเนี่ยคือพระองค์นั้นทรงควบคุมดูแลและการกระทำของพวกเจ้าและสภาพของพวกเจ้าไว้ทั้งหมดดังเช่นที่เราบอกว่าลอฮ์อานะแลกุลลิเชินชาฮิดะอัลลอฮ์นั้นเป็นพยานต่อทุกสิ่งและมี hadis s ที่บอกว่าอับุดิลลาอับุดิลลาพวกท่านจงเคารพอัลลอฮ กะอันเนกะต่รอหูเสมือนกับท่านเนี่ยเห็นอัลลอฮ์กี่เราเห็นอัลลอฮ์ไหมไม่เห็นน่ยใครละหมาดแล้วเห็นอัลลอฮ์มั้งไม่มีนะกะอันนีเสมือนเห็นแต่เห็นจริงไหมไม่เห็นเราต้องไปโน่นตายก่อนเข้าสวรรค์ถึงจะเห็นเราไม่เห็นอัลลอฮ์นะแต่ทำเหมือนเห็นฟออินลำตะกุนตรอร้อพ่อทหากและทหากท่านเนี่ยไม่เห็นพระองค์ซึ่งไม่เห็นอยู่แล้ว แต่ให้รู้ว่าฟาอินนาหูยารรกาคือถ้าคิดอันดับหนึ่งคิดว่า Allah, อัลลอ่าคิดอะไรนะเหมือนกับเราเห็นอัลลอ์แต่เราไม่เห็นหนะแต่ทำเหมือนเราเห็นอัลลอฮ์เลยความรู้สึกเหมือนไปยืนต่อหน้าพราะองค์เลยมันจะมีความรู้สึกที่แบบอนอบน้อมถ่อมตนที่สุดเลยแต่ใครเนี่ยถ้าใครเนี่ยไม่สามารถถึงขั้น น, น, น, นั้นได้มาขั้นที่สองให้คิดว่าอัลลอ์เห็นราเสมออันนี้ของจริงอัลลอ์เห็นราเสมอ ซึ่งต่างกันนะขั้นขั้นสูงสุดคือเราเนี่ยเหมือนเห็นอัลลอฮ์เลยเออนังนั้ น, ใจ ไ, ไนใจไม่ไปไหนเลยใจอยู่กับอัลลอฮ์เลยนี่อันนี้คือขั้นที่สุดแล้วแต่ถ้าทาไม่ได้ให้คิดว่าอัลลอฮ์เห็นเราเ อ, อ, อันนี้คือขั้นรองลงมาก็สุดท้ายมันก็เรียบร้อยทั้งคู่เลยเลยนะแต่จะต่างกันในคนคนที่คิดว่าเขากําลังเห็นอัลลอฮ์อยู่เนี่ยเขาจะมีความ إ ي م านที่มันมันมั น, มนอมันเพิ่มพูนที่มากกว่า นี่เป็นการชี้แนะและใช้ให้ระมัดระวังผู้ที่สอดส่องอยู่เสมอและอย่าได้เผอไผลเป็นอันขาดอ่าอย่าได้เผอไผยอันขาดและพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับมนุษย์ในโลกนี้มาจากบิดามารดาเดียวกันเรามีพ่อแม่ต้นแบบก็คือนบีอาดัมพนังคาวากีกระชั้นเนี่ยนบีอาดัมต่อยออาดัมใช่ไหมอ่าตอยังฮาวานี่คือมนุษย์เดยกันทั้งนั้นแหละ ดังนั้นเวลามีเรื่องบาดหมางกันคิดอย่างนี้ไอ้เราก็ตัวยอดเดียวกันนะตัวยออดดำตัวอยางฮาวาอารุ่อร่วยกันนะกินนะอย่าถือโทษโกรธกันอ่อนโยนต่อกันนะพี่น้องเชื่อไหมถ้าคิดกันแบบนี้นะม่มีใครทะเลาะกันหรอกใช่ไ่มไม่มีใครทะเลาะกันหรอกไม่มีขึ้นช่องขึ้นศาลทะเลาะกันบ่อแวงหรอกนี่ไม่คิดกันเลยอ่ะคนที่แข็งแรงต้องดูแลคนที่อ่อนแอเวลาไปเจอกันบนศาลก็เราเนี่ตัวยอคนเดียวกันนะจะได้จะได้จะได้เบาหน่อย เออรถทิถิลงมาเอดและความจริงได้ระบุเอาไว้ในสื่อโซอฮีมีรายงานจากเยริษดนะบอกว่าแท้จริงท่านโดซุนโซโลล้องวายในวอร์ซัลลัมเนี่ยขณะมีคนกลุ่มหนึ่งจากเผ่ามูติสมูตอร์นะครับได้เข้ามาโดยที่พวกเขาเนี่ยเป็นคนยากจนมากเผาเนี่ยยากจนมากนะท่านโดซุนก็ลุกขึ้นซึ่งเผ่านี้กระถามว่าเป็นญาติอะไรกับในคนมาดีนะเปล่าคนข้างนอกเลยเผ่าที่อื่น หลังจากนั้นนบีเนี่ยกล่าวปาศัยหลังละมาซูรีโดยคำปาศัยเนี่ยก็ยกอายะคุรอ่านนี่แหละว่าพวกเราเนี่ยมาจากต่อยอดคนเดียวกันและนบีก็สั่งให้ทุกคนเนี่ยกลับไปที่บ้านไปทำอะไรใครมีเหรียญทองเอาเหรียญทองมาบริจาคแต่ซดดักกลับไปเอาเหรียญทองมาใครมีเหรียญทองเอาเหรียญทองมาใครมีเหรียญเงินเอาเหรียญเงินมาบริจาคใครมีข้าว เอาข้าวมาบริจาคใครมีตะมัดมีผลัมเอาผาลามมาจามาบริจาคถามว่าซอบา้าทำไงอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้กับหลังจากละหมาดไปเอาเงินจากที่บ้านเนี่ยเอามาให้เผาหมดอลนะครับที่ยากจนมากแต่จะอ้างญาติไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะเป็นญาติทางด้านสายเลือดเป็นคนละเผากันเลยแต่อ้างตัวเรื่องอะไรอ้างอิงมาจากตโยฮวาตโยออดัมกับตอยางฮวานี่ แล้วก็พอมองแบบนี้ปั๊บโวยจาคหนึ่มนุษย์เหมือนกันนะนั้นพี่น้องครับการดูแลมนุษยชาติเนี่ยเป็นภา ร, ารกิจของพวกเราลิมทุกคนแหละใครตกทุกข์ได้ยากอย่าลืมว่าเขาอาจจะไม่ ไ, มได้เป็นมุสลิมแต่เขาก็คือพี่น้องของทางอะไรทางมนุษย์เขาเป็นพี่น้องร่วมโลกเหมือนกันนะนะ เ, เป็นมนุษย์เหมือนกันก็ดูแลกันและการดูแลของเราเนี่ยอาจจะเป็นสาบับสาหิตทําให้เขานั้นสนใจอิสลามก็เป็นไปได้นะครับอ่ะ เราก็จบอย่างสมบูรณ์เลยในอายะที่หนึ่งน ะ, ะต่อมาครับเดี๋ยวเราอ่านอายะที่สองสามสี่นะว่าตุลยะตามะอัมวาลหุม ولا ت, ت ب ะ ل ا ตัดสินว่าใครเป็นผู و ที م و ال ا ل ว م ม ل ى ้ م و ا ل ิ م อินนั้นุคานาหูบันคับีรออินนั้นุคานาหูบันคับีรอว่าอินขิฟตุมอัลลัตุคัสตุฟิยต ฟันคิหูมาท้าบลักุมมินนิซَมาสนาวَฒน์สَมวาَบัย فإن ِ ف, ف ت م Allah تعذيلوا فواحداتن أو ما ملاك أي منكم ذلك ََِ أدنا ألا َ تعول َ وات النساء َ صدقاتهن นไَ่เหลือว่าต ت นซِ ن َّ ن จْุ ل َิห ف َ إ ِมْเِลْอََ้อินที่บันลาคุมอาชัยมินหูนัฟซ ความหมายนะครับคืออายะในสุรนิษาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ยินบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาจะนิกาก็จะอ่านนี่แหละอ่าแต่ถามว่าจําเป็นต้องอ่านนี้ไหมไม่จำเป็นเลยพี่น้องอ่าไม่อ่านก็ได้ถ้าจะอ่านสุระอ น, นไหนก็ได้อ่าเพราะว่าในขั้นตอนของนิกาเนี่ยที่เป็นซุนนะเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่คุตตาบะแต่พวกเราเนี่ยบางทีก็เอาการอ่านกุตอ่านมาเป็น ตัวเริ่มก็ได้เป็นสิ่งเริ่มต้นนะอันนี้เราก็ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้ตําหนิกันไม่ได้ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดเราไปเจองานอีกาไหนที่ก็ไม่ได้มีการอ่านกูดานก็ไม่ได้หมายความว่าผิดแปลกอะไรอนะครั บ, รรบใช่ก็เป็นการเน้นย้ําเตือนแต่ว่าที่ดีเนี่ยก็ควรจะแปลให้ให้ฟังด้วย <c oughs> นะใช่ไหมเพราะว่าฟังอย่างเดียวมันก็ได้เรื่องของการฟังแต่ว่าถ้าได้ความหมายด้วยเนี่ยมันก็เป็นการเตือ น, น, อ, นอ่า เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องแต่งงานด้วยนะอ่ะคราวนี้เรารู้อยู่แล้วว่าสุ ร, อร้อนี้เนี่ยชื่อว่าสุ ร, อร้อนิซาน่ะนีซาก็คือผู้หญิงผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเพศที่พูดถึงกําลังวังชาระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะผู้ชายจะมีกําลังวังชาที่มากกว่าดังนั้นงานต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาและกําหนดให้กับผู้หญิงเนี่ยได้ปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นแบบงานที่ไม่ต้องใช้กําลังเยอะ เช่นการเย็บปักถักร้อยการดูแลลูกทำอาหารประมาณนี้แต่งานใดที่ต้องมีกำลังเช่นตอกตักน้าสมัยก่อนเนี่ยนะสมุชาจะออกไปตักน้ำนะหรือการยกของหนั ก, นกๆก็เป็นหน้าที่ผู้ชายหรือแม้กระทั่งเลี้ยงปศุสัตว์เช่นเดียวกันกับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบก็คือเด็กกำพา้าอัะ น, นี้จะพูดถึงเด็กกำพ้าเป็นหลัก อัลลอฮบว่าว่าตุเยตามาอัมวาลหฮุมและจงให้คืนแก่บรรดาเด็กกำพร้าซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขาอ่าแปลว่าอะไรแปลว่าอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทรงใช้ให้คืนทรัพย์สินของเด็กกำพร้าไปให้พวกเขาเมื่อพวกเขาบรรลุความสมบูรณ์พร้อมที่จะดูแลทรัพย์ด้วยตัวเอง คือปกติเนี่ยพอเวลาสมมตินะไอยอดเนี่ยเสียชีวิตอาจจะมีลูกลูกหลงมาคนนึงลูกหลงเนี่ยเพิ่งอายุได้สองขวบส่วนไอบ้บางเนี่ยนู่นอายุยี่สิบกว่าแล้วมีบียี่สิบกว่าคนหนึ่งสิบแปดคนหนึ่งถามว่าเราเวลาแบง่งมรดกเนี่ยต้องแบ่งให้ลูกหลงอายุสองขวบไหมต้องแบง่งกันเอาไว้ไม่ใช่กันไว้แบ่งให้เลยแหละ เป็นเจ้าของทรัพย์เลยเป็นเจ้าของทรัพย์ที่สมบูรณ์เนี่ยนะแต่แน่นอนว่าเด็กไม่สามารถจะบริหารจัดการทรัพย์ได้จ่ายสกาดได้ไหมล่ะเด็กจ่ายไม่ได้ไม่รู้เรื่องก็ให้คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลหรือเป็นวาดิสใหญ่หรือคนพี่ชายเนี่ยดูแลทรัพย์ตรงนั้นพอเด็กคนนั้นบรรลุสูวัยที่เขาสามารถดูแลทรัพย์ของเขาได้เองเนี่ยทาไงคืนเข้าไปไม่ใช่กักเอาไว้ บางทีหักเปอร์เซ็นหักค่าดูแลอายอแบ่งไว้สิบล้านพอลค้คืนคืนห้าล้านเอาหายไปไหนห้าล้านอ๋อค่าดูแลจ่ะไม่ได้นะพี่น้องให้เต็มนะอเออยกเว้นว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยที่มันสูญหายอ่ที่มันที่มันลดไปเนี่ยจากการดูแลเด็กคนนั้นเช่นเด็กคนนั้นเขาเข้าโรงพยาบาลเจ็บค่าได้ป่ว ย, ยก็เอาเงินของเด็กนั่นแหละเป็นค่ารักษาไป คือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างต้องมีรายรับรายจ่ายชัดเจนไม่ใช่เขาเขาดูแลมาสิบแต่ดูแลมาสิบปีหายไปครึ่งละครึ่งขายไปครึ่งหนึ่งไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเสื้อผ้าก็ซื้อไปกี่บาทคิดข้มหมดเลยไม่ใช่อ่านะอันนี้ก็คือให้เราหน้าที่คือดูแลให้ความยุติธรรมนะครับและมิให้เอาทรัพย์สินของเด็กกําพร้าเนี่ยมาใช้ส่วนตัวเอามาใช้ส่วนตัวได้ไหมไม่ได้ เป็นของเขาจะใช้ส่วนตัวเอาเงินเราแล้วเลาบอกว่าไว้แล้วตะต่บัดลรุลคอบีซบิตตอยและจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลวด้วยของดีงงไหมอสุดดีได้กล่าวว่ามีคนหนึ่งอัยยอ์เนี่ยเขามีมรดกเป็นแกะคือบางคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีมรดกหลากหลายเนาะ สมมติในบ้านนี้เขาทำปศุสัตว์เามีวัวอยู่ร้อตัวเนี่ยเวลาพ่อตายวัวก็แบ่งให้กับลูกคนละสามสิบกว่าตัวว่ากันไปมีวัวของเด็กกาพ้าอยู่ในนั้นเวลาเลี้ยงเลี้ยงรวมกันเลยเลี้ยงรวมกันเวลาเกี่ยวหญ้าเลี้ยงรวมกันเวลาจะแบ่งคืนเด็กคัดตัวผอมๆเอาตัวเป็นโรคให้ให้และให้เด็กกําพ้าไปไอ้ตัวอ้วนเป็นไงกีเก็บไว้ของคุณตัวเองหมดเลยอันนี้เขาเรียกเปลี่ยน รับเปลี่ยนคือพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นวัวตัวไหนแล้วเลี้ยงไปสมมติวัวเด็กกำพ้ามันผอมก็ก็ตามนั้นแต่ไม่ใช่เพราะเวลาเด็กวัวเด็กกำพ้าอ้วนตัวของเราผอมสลับกันสลับกันเอาตัวอ้วนมาไว้แล้วก็ตัวผอมเอาให้มันนัวเข้าไว้เนี่ยเอาล่อเตือนเห็นไหมแต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่เป็นสตางค์มันมันมันไม่มีปัญหาหรอกจะแบงเก่าแบงใหม่มันคือมูลค่าเดียวกันแต่ทรัพย์บางอย่างที่มันมีของเก่าของเสียของหาย ของซิมันเสียหายต้องตามสิทธินั้นไปไม่ใช่ว่าเอาของดีๆเก็บไว้เอามากองรวมกันเนียดก็คือจะเอามากองรวมกันเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาจะคืนน่ยคืนของไม่ดีให้อันนี้เอาล้อห้ามนะแต่ถ้ า, ถ, าถ้ากองรวมกันเวลาคืนก็คืนของดีๆให้เขาน่ะไอ้ของไม่ดีต้องเก็บเอาไว้แต่ถ้าไม่กองรวมกันดีที่สุดแยกไปเลยคอกใครคอกมันนี่คอกของน้องสายชั้นอันนี้คอกของชั้นอันนี้คอกของพี่ชายแยกกันอย่างนี้ดีกว่า แต่ถ้ารวมเมื่อใดปั๊บอันตรายเพราะว่าเราก็จะคัดของไม่ดีให้นอ้อให้ลูกให้เด็กกำพ้าไปนะอ่ะอัลลอฮบอกต่อว่าววลาตะกูลูอัมเวาลาฮุมอีลาอัมวาลิกุมและจงอย่ากินทรัพย์สินของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้านะเขาเรียกว่าเอามากองรวมกันเสร็จปั๊บเวลาใช้ใช้กระเป๋าเดียวกันเลยงงไม่หมด ให้แยกให้เป็นสัด ส, ส่วนให้ชัดเจนอันไหนของส่วนตัวไหนของเด็กกัมพ า, ก, พาก็ใช้ส่วนเด็กกัมพานะแท้จริงมันเป็นบาปอันมหันต์กนะอินนาหูแกนะฮูบันกกบีรออ่ะมาดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งอินโอาบาน บ, บอกว่าการที่พวกท่านกินทรัพย์ของพวกเขาร่วมไปกับทรัพย์ของเด็กกัมพานั้นเป็นบาปใหญ่ และเป็นสิ่งที่เป็นบาปอันมหาหันให้หนีห่างอ่าความหมายก็คือเอาทรัพย์มากองรวมกันนะและ้วก็ยึดไปหมดเลยอย่างสมมุติมีเงินของเด็กัมพ้าห้าแสนมีเงินของเราห้าแสนเอามากองรวมเป็นล้านหนึ่งแล้วเวลาใช้ใช้เกี่ยงเลยแล้วก็บอกว่าเป็นไงอ๋อฉันดูแลแล้วมันเกิดขาดทุนมันเจ๊งอะไรเงี้ยสมมติเนะีเออไม่ได้ แบีห้ามนะของซับเด็กกำพร้าก็คืออย่าไปแตะอย่าไปจับไปต้องเลยนะคืนสิทธิ์ให้ครบสมทั่วสมบูรณ์ต่อมาเอาโลเบอาฟอินคิฟตุมอัลลาตุกเิีตูฟิลยลียตามาและหากพวกเจ้าเก่งว่าจะไม่ให้ควา ม, มไม่ให้ความยุติธรรมกับเด็กกำพร้าได้ฟันกีฮูมาตอบาลกุ ม, มินันนิสะก็ให้ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีคนอื่น เวลาเรายกอายักุรานเนี่ยเราจะยกแค่ฟังกีฮูมาต่อบลาลอกุมลืมยกตอนตอน้นตอนต้นเนี่ยอัลลอฮฺปกป้องดูแลคุ้มครองเด็กกำพร้าโดยเฉพาะเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงยกตัวอย่างนะเช่นสมมุติเนี่ยผมรับเด็กซีเรียมามาเลี้ยงดูโดนระเบิดนี่เด็กกำพร้าหมดเลยแล้วซีเรียเนี่ยกีอย่างสวยตาคมเลยเป็นอาหรับเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาโตเป็นสาวเป็นไงชอบชอบแล้ว พอชอบเสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนจรสะนะคนดูแลเป็นดูแลใกล้ชิดขึ้นให้มาเป็นภรรยาก็เป็นปีนปัญหาทำได้อ่าก็ ต, ต้องถูกต้องนะแต่ถ้าหากว่าจะไม่ยุติธรรมกับเด็กคนนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไปบีบบังคับแม่เขาเรียกสินสอดอ้างเลยไอ้ที่กินอยู่บ้านฉันสมัยก่อนเนี่ยเลี้ยงมาตโตนโตพอพอจะแต่งงานมันเรียกซะแหมอย่างเงี้ยให้ความยุติธรรมกับเด็กคนนั้นไห ไม่หาแล้วเาลาเราบอกไปแต่งคนอื่นอย่าไปยุ่งเลยคนเนี้ยเก่งว่าผู้หญิงคนเนี้ยจะไม่กล้าที่จะเรียกสินสอด เ, เรียกมาฮัตอะไรนะคือสินสอดเขาเข้าใจกันดีมาฮัตตามที่นางควรจะได้รับโดยที่ไปหักจากการเลี้ยงดูสมัยก่อนซึ่งมันต่างกันคนละเรื่องนั้นผลบุญเราได้แล้วส่วนมาฮัตนี่ได้อันเนื่องมาจากเรานีกล้ากับเธอเราต้องจ่ายก็ต้องให้เขาไว้นะ อายัดเนี่ยเป็นการดูปกป้องเด็กกำพร้าผู้หญิงอ่านั้นไม่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าจะจะแต่งงานกับเด็กกำพร้าถ้าเราเป็นคนที่ดูแลสมมติดูแลเด็กกำพร้าเต็มเลยมีเด็กกำพร้าคนหนึงสงวยโตเป็นสาวอยากจะแต่งงานด้วยไม่ผิดแต่ถ้าเกิดไปแต่งแล้วเหมือนกับเป็นการบังคับให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียกข้ามหัตได้เนี่ยนั่นแหละอย่าแต่งเลยให้ไปแต่งกับคนอื่นเอาล้อให้บอกให้ไปแต่งคนอื่นเยอะแยะนี่มัสนามว่าสุรัไปแต่งคนอื่นเลยที่ไม่เกี่ยวข้อง อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายต่อนะห้ามมิให้แต่งงานกับเด็กกำพร้าโดยจ่ายสินสอดต่ํากว่าที่ควรจะเป็นอ่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวาตาลาได้ตัดว่าหากพวกเจ้าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมกับเด็กกำพร้าได้ก็จงแต่งงานกับสตรีที่ดีแก่พวกเจ้าสองคนคือถ้าปรากฏว่ามีเด็กกำพร้าเนี่ยผู้หญิงนะนะ อยู่ภายใต้การดูแลของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าและเขากลัวว่าจะไม่สามารถให้สินสอดหรือามหัจแก่นางตามประเพณีได้คำว่าตามประเพณีก็คือทั่วๆไปแถวนั้นพื้นเพรตรงนั้นเขาเรียกกันเท่าไหร่ก็ตามนั้นอย่าไปอย่าไปกดราคาถ้าเขาจะต้องแต่งงานกับนางก็ให้เขาเปลี่ยนไปแต่งงานกับหญิงอื่น ถ้าจะแต่งงานนะี่ยไปดูผู้หญิงคนอื่นถ้าอยากจะแต่งงานนะนะไปแต่งงานกับหญิงอื่นเลยเพราะผู้หญิงยังมีอีกเยอะมีอีกมากซึ่งอลัลลอฮ์นั้นก็ไม่ให้เขาเกิดความลําบากด้วยคือจะไม่ให้แต่งก็กระไงกรยังไงอยู่ใช่ไหมกีแต่เรื่องได้ไหมไปแต่งกับคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเด็กกำพร้าเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปกดขี่เขาหรือไปกดเรื่องมาฮัดเขานี่เห็นไห้ในความ ความยุติธรรมที่อิสลามนั้นได้กําหนดเอาไว้ให้กับสตรีทั้งหลายนั่ไม่ใช่ว่าอยู่ยีๆไปแต่งกับคนสองคนสามไม่ใช่นะคือมันมีเหตุตรงนี้ที่อัลลอฮ์ให้ไปแต่งกับคนอื่นเนี่ยอะต่อมาอันบุคอรีได้บันทึกมีรายงานจากท่านหญิงไอาชาว่ามีชายคนหนึ่งที่มีกำพ้าผู้หญิงในการดูแลนี่ไงแล้วเขาก็แต่งงานกับนางครับเพราะนางเนี่ยมีทรัพย์มาก คือผู้หญิงผู้ชาอันนี้คืออีกคนละเรื่องนะเรื่องนี้คือผู้หญิงเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าที่มีเงินเยอะมีทรัพย์เยอะมากผู้ชายก็รับดูแลทรัพย์อ่าไม่ใช่จนนะผู้หญิงมีทรัพย์พอโตเป็นสาวอยากจะทําภรรยาแล้วรวยด้วยอ ก, กีคราที้ผู้หญิงเนี่ยอึดอัดไหมก็อึดอัดเน่ยเขาก็อยากจะไม่มีคนอื่นใช่ไหมไอ้คนดูแลก็พอจะสมพอสมครอายุรุ่นย้อนแล้วอะ สมมุติสมมุติเออแต่เขาจะอ้างอ้าวตอนเป็นเด็กเนี่ยวิ่งไปหาลงสงลวงบงสงลโรงาบานดูแลมาตั้งเยอะทดแทนบุญคุณ่อยสินี่เห็นไหมศาสนาครับ็นหมนางมีทรัพย์เยอะปรากฏว่าเขาต้องการที่จะแต่งเนี่ยไม่ได้รักนางเลยนะรักที่อะไรรู้ไ้ยรักที่สมบัติอืมหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็เขาเองก็ไม่ได้มีความต้องการในตัวนางเลยอย่างแท้จริงอาย่านี้จึงประทานลงมาว่าอย่าอย่าไปแต่งนะห้ามแต่งเพราะอะไรเพราะเป็นการอาธรรมต่อผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงเพราะผู้ชายคนนี้ต้องการแต่ทรัพย์ผู้หญิงแต่ไม่ต้องการที่จะดูแลผู้หญิงคนนี้จริงๆรนี่เห็นไหมไอตอนดูแลนั้นเนะ่ะ ม, มีมีเขาเรียกว่ามีมีเจตนาว่าจะเอาทรัพย์ก็เลยดูอย่างดีแต่พอแต่งไปแล้วคนละเรื่องเลยได้ทรัพย์แล้วนี่เออ อันนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายจึงเห็นได้ไว่าหลักการศาสนาของเราเนี่ยเป็นหลักการที่ปกป้องสตรีนะครับไม่ใช่เอาเปรียบสตรีนะเป็นสิ่งที่ปกป้องสตรีมากอิสลามบอกเลยไปแต่งคนอื่นนะแล้วมันเป็นความลำบากใจกับผู้หญิงด้วยผู้หญิงเขาไม่รู้จารือเปล่ากันนะแลวไปอ้างบุญคุณว่าเลี้ยงดูมาหลังจากนั้นอันบุคอรีได้บันทึกมีรายงานจากอุร์วาอิบนิอิบนิซูเบร บอกว่าความจริงเขาได้ถามท่านหญิงไอชาถึงอาย่านิ่งว่าให้พระเจ้าไม่ทําพระไม่มีความยุติธรรมให้ไปแต่งถ้าพระเจ้าไม่สามารถให้ความยุติธรรมกับเด็กกําพาได้นางตอบว่าโอ้ลูกของพี่สาวฉันนี่เป็นโอ้ลูกของพี่สาวใครเนี่ยเดี๋ยวดูนะอุรวะบินซูเบตอ่า เป็นลูกของพี่สาวอ่าของท่านของท่านหญิงไงชะโอ้ลูกของพี่สาวฉันนี่เป็นเรื่องของกับเรื่องของเด็กกัมพ้าผู้หญิงหรือกัมพ้าหญิงที่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครองของนางโดยที่นางมีส่วนร่วมกับทรัพย์สินของเขาโดยที่นางเนี่ยมีส่วนร่วมกับทรัพย์สินของเขาด้วยและเขาก็อยากที่จะได้ทรัพย์ของนางและความสวยของนางโดยเขาต้องการที่จะแต่งงานกับนาง โดยไม่ยอมใจมหัดให้คือจะเหมาหมดเลยและแต่ยมแต่ว่าลรามหฮัดไม่ยอมให้ซึ่งเขาจะให้มหัดแก่นางเช่นกันแต่จะให้น้อยกว่าควรที่จะเป็นให้แต่ให้น้อยดังนั้นเขาจึงถูกห้ามไม่ให้แต่งงานจนกว่าเขาจะให้มหัตตามที่ควรจะเป็นถึงจะแต่งได้แต่ถ้ายังให้ไม่เหมือนเดิมนี่นะถูกห้ามเลยไปแต่งคนอื่นนะนี่คือ อายะกุรานนะครับคราวนี้พอโมพูดถึงอีหุกรมหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าจงแต่งงานเนี่ยสองสามสี่เนี่ยนะตรงนี้อัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาแอลได้ตัดว่าคืออัลลอฮ์ได้บอกกับพวกเราว่าจงแต่งงานตามที่พระเจ้าต้องการจากหญิงอื่นที่ไม่ใช่เด็กกมพร้าคือให้ไปแต่งงานที่จะเป็นสองคนหรือสามคนหรือสี่คนตามที่พวกเขาประสงค์ คราวนี้มีคนคนหนึ่งมีการยกตับซีดอันหนึ่งก็คืออาอาเจาอิลินมาแลก้าผู้ทรงแต่งตั้งมาเลกะเป็นผู้นำข่าวรุสูลันอูลีอาจนิฮาจินมัสนาวสุลาซะวะรุบะฟังเหมือนสมนวนเดียวกันเลยนะแต่จริงๆมันคือผู้ที่มีปีกสองสามสี่มาเลก้มีปีกสองปีกมีสามปีกมีสี่ปีก บางตนก็มีสองปีกบางต้นก็มีสามปีบางต้นก็มีสี่ปีและโดยไม่ปฏิเสธว่ามีเกินกว่านั้นได้อาจจะมีมากกว่าสี่ปีก็ได้ก็มีคนอ้างอายะกุร่านี้บอกว่าจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดไว้หรอกแค่สี่หรอกแค่สี่นี่คือเบื้องต้นอ่าจริงๆเนี่ยสามารถมีได้เกินกว่าสีได้อีกอันนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกเลยมั่วเพราะมีฮะดีษสุลต่านสุลลาะสุลลาะฮุยไลอีวาสันลำเนี่ยครั้งหนึ่ง มาจากกอสลานคนนี้ชื่อว่ากอยลานขอโทษทีไกรลานอิบนูสัลมาอัสกอฟีไกยลานเนี่ยก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยมีภรรยาทั้งหมดส10บคนก่อนที่รับอิสลา ม, มนะแสดงว่าเป็นคนใช้ได้นะมีอะไรนะมีมี ม, ม, มีมี power นะมีอำนาจเขามีภรรยาสิบคนนะพอเข้ามากล่าวชาฮัดะกันบนบีงานเข้าแล้วพอมากล่าวชาฮัดะนบีอายะคุดานนี้ลงมาจํากัดได้4คนมาถามยารอสุรุลล์ทำยังไงดีล่ะ อิสลามห้ามแต่ฉันเนีมีมาก่อนแล้วนี่ภรรยาฉันน่ยสิบคนเนี่ยนิ迦 ก, กันถูกแต่งงานกันถูกต้องแต่พอมารับอิสลามเนี่ยทำไงนบีบอกว่าเอาร์ม e ินหุนนะอัรบาอันกลับไปไปเลือกไว้สี่คนที่เหลือต้องเลิกไปโอ้โหพี่น้องนั่นน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะสิบคนเลือกได้แค่สี่คนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนนะนี่คือเขาอยู่มาก่อนแล้วแต่นบีบอกว่าได้แค่สี่คนถ้าความเข้าใจที่บอกว่ามีมากกว่าสี่คนได้ถามว่านาบีสั่งให้เลิกทำไม ก็มีไม่ดิสิบคนเป็นไรล่ะแต่นี่นบีสั่งเลยนะต่อให้มีสิบคนจะมีเป็นร้อยคนขอมาัฟนะพอมารับอิสลามมีได้คนสี่คนเกินกว่านี้ไม่ได้ในคราเดียวกันประเด็นคือในคราเดียวกันและในเมื่อสมัยการปกครองของคอลิฟาอุมัดเขาก็ได้ยาภรรยาของเขาและก็แบ่งทรัพย์สินของเขาให้แก่บรรดาลูกของเขาและอุมัดก็ได้ทราบเรื่องดังกล่าวนะอันนี้เรื่องยาวนิดนึ่งนะ อ๋ออ่านีกคาดิสหนึ่งก็บอกว่าท้งนก็บอกว่าให้ให้เลือกไว้สี่คนนะให้เลือกไว้สี่คนนะครับสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้ามีความสามารถได้แค่สี่คนนะครับส่วนอีกอายะต่อมาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอลัลลอฮ์บอกฟาอินคิฟตุมอัลลาตัดีลูแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถให้มีแค่หนึ่งคนเท่านั้น เอามามะละกัดไอ์มานุกุ่มหรือคนที่เป็นทาสผู้หญิงทําไมมีทาสผู้หญิงได้มากกว่าหนึ่งคนล่ะถ้ามีภรรยาหนึ่งคนใช่ไหมถ้า ม, มีความสมบัติแต่มีทาสได้มากกว่าหนึ่งคนเพราะพี่น้องจำว่าเลยนะทาสไม่จําเป็นต้องยุติธรรมคือไม่มาหาก็ได้จะไม่ให้นัฟาก็กได้เพราะว่าทาส ต, ต้องได้รับเงินไหมไม่ได้ทาสจนะทำงานมันมีเงินเดือนนะทาสนะ่ะคือถ้าทำอย่างนั้นคุณเอาทาส ไปหลับนอนด้วยจะไม่บาปเพราะอะไรเพราะธาตไม่จําเป็นต้องยุติธรรมในระหว่างทาตคือทาตสถานะเ้าต่างกันอยู่แล้วเขาเป็นเหมือนทรัพย์สินไม่มาไม่มาไม่บาปแต่ถ้าเป็นภรรยาเป็นวันของเขาแล้วไม่มาอันที่บาปเตือนตัวเองด้วยนะเนี่ยพูดใโดนตัวเองนตัวเองตัวเสตังอะไรก็ต้องจ่ายให้ครบนะครับนะอ่ะบอกต่อเขาบอกว่าไงต่อ ในในกุอานบอกว่าวันทัศตติอุตันตัดีลุบายนันนิสาว่าราห้าร้อตุมเด็ดเดี่ยอะในยาที่ร้อยี่สิบเก้านะหากพระเจ้าจะไม่สามารถที่มีความยุติธรรมในระหว่างพยาได้เลยแม้ว่าพระเจ้าจะมีความบัตนาอันแรงกล้าอันนี้เรื่องข อ, งอะไรเรื่องความรักนะครับนี่เรื่องความรักนะแต่เรื่องทางด้านวัตถุต้องให้มีความเท่ากันถ้าไม่ต้องท่านนี่ยเขามองว่าเหมือนเป็นทรัพย์สินเข้าไปรับนอนได้เลยไม่เรียกซีนาครับ ทาสเนี่ยเป็นเหมือนซัพมเป็นซัพ์เลยอ่ะอ่าก็คือไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงอะไระทำงานอย่างเดีย ว, อย เ, ยวเอาอคนละอย่างกันเลยครับลูกจ้างนี่ต้องให้เงินเดือนทาสนี่ก็คือไม่มีเงินเดือนนะทานไม่มีเงินเดือนนะน อ, อะไรนะครับอ๋อ คือจริงๆนะเอาจริงๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยไม่สามารถเห็นเอารอไม่ว่าจะเป็นคนไม่ใช่มุสลิมก็เห็นไม่ได้หรอกทั้งหมดนั่นแหละไม่ใช่ว่าสมมติมติมุสลิมเนี่ยเห็นแล้วอ่อห็นระบาดถ้าเป็นคนไม่ใช่มุสลิมแต่งบิกินี่มาดูได้เลยไม่บาปไม่ใช่บาบหมดแหละแต่หุกกรมที่จะบังคับผู้หญิงเนี่ยให้คุมฮิบาบให้แต่งกายเนี่ยก็เฉพาะคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ในฐานะ คนที่เป็นคุณมองเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามองมุสลิม่าและไม่คุมฮิยา บ, บาบพราอไม่ใช่มุสลิม่าไม่คุมหัวโอ้ยมองได้สบายเลยเขาแต่งโป้มามองบาบไม่เกี่ยวกันแต่แน่นอนแหละถ้าเป็นมุสลิม่าตัวของนางถูกบังคับด้วยกับหลักการศาสนาครานี้ถ้าเขาไม่คุมฮิยาบและเราเป็นเป็นลูกจ้างอขอโทษดีเป็นนายจ้างเรามีสิทธิ์ที่สา ม, มารถที่จะเลยนะบังคับได้บอกได้ ในฐานะที่เราเป็นนายจ้างเราบอกได้นี่อ่าเหมือนกับเป็นเครื่องแบบของเราอ่ะเฮ้ยทำามาทํางานกับเราเนี่ยถ้าไม่คุมหิยาบเราไม่รับนะเออได้ไหมได้อืมดังนั้นการที่ไปมองเอาร้อนเนี่ยมันบาปอยู่แลว้วอ่แต่ผมบอกว่ามันเกิดจากการจิตตนาไม่ล่ะอย่างเช่นเราออกไปปากซอยเนี่ยถ้ามองพื้นอย่างเดียวตกท่อมกันนะมันก็ต้องเห็นนะ่ะ แต่เห็นแล้วเนี่ยเราเราสามารถจะยับยั้งได้มากแค่ไหนถ้าเราลดสายตาได้เร็วอัลลอฮฺก็ไม่เอาโทษแต่ถ้าเผลอจ้องไปมันก็เป็นบาปดูทีวีดูอะไรเดี๋ยวนี้มีหมดแหละในโทาารทัศน์อาบัตแต่ให้จําไว้แล้เมื่อกี้ว่าถ้าเป็นบาปเล็กๆเนี่ยอัลลอฮ์ลดให้อภัยให้ไม่ได้เกิดจากการเจตนาแล้วยิ่งเมืองไทยเนี่ยจะจะปกป้องจ ะ, จะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ยังไงถ้าไปอยู่เมืองอาหรับเป็นไม่ได้เหลือแต่ลูกตาใช่ไหมสบายใจ มาอยู่มะกล้ามไม่มีหรอกใครยัมาแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยแต่พอมาอยู่เมืองไทยก็ต้องทาใจเรื่องนี้ฉันเคยเล่าไอ้ไฟฉันเคยขึ้นไปบรรยายที่แถวในเมืองเนี่ยต้องนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยผมไม่รู้หามุมไหนอะรถเบียดกันเนี่ยข้างหลังกับนาอกนี่ก็สั้นแล้วก็ใส่โต๊ะองเงี้ยทำตัวไม่ถูกอึดอัดสุดท้ายหันเข้ามุมโอ้โหก็มาเดี๋ยวนี้มาขนาดนั้นแล้วเหรอเอรถไฟฟ้าน่ะแล้วช่วงยินยินโอ้ยอถ้า ถ้าไม่คุมดีๆนะหลุดเหมือนกันนะหลังจากนั้นฉันเขาท้อใจเลยไม่ไม่ไม่เอาแล้วนะเนี่ยกำลังนําเรียนแบบนี้นะว่าเออทุาจะถามอะไรลนะถามว่าอะไรอ่าเป็นลูกจ้างรับอิสลามครับไม่ได้หรอกครับไม่ใช่ภรรยาจะมองได้ไงไม่ได้เลยถ้าจะมองได้นี่ยต้องเป็นในนี่ต้องเป็นเป็นมหารมอับบัด ก็เหมือนจะเป็นลูกจ้างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยไม่ใช่เมียเนะี่ยขอโทษนะมองไม่ได้แล้วครับแต่ประเด็นก็คือในการมองของเราเนี่ยเป็นการมองในการใช้งานไม่ใช่มองจ้องในเรื่องของเรื่องของอะไรเรื่องของการาทะลึ่งตึงตังอะ่ะแต่ถามว่าศาสนาเนี่ยก็ถามว่าเอาโทษไหมในสิ่งที่ไม่ได้สมมติเรามีลูกจ้างผู้หญิงเนี่ยเราก็ต้องใช้อะ่ะแล้วม่ให้มองมก็ต้องมอง แต่ถ้ามองแบบโดยที่ไม่มีเจิตนานจะทำบาปเนี่ยเอาล้อภัยให้แต่สมมุติลูกจ้างเราเนี่ยขอโทษนะแหมมันไปทำนาอกมาบเบ้อเลยแล้วเราบอกว่ามองได้ไม่บาปหรอกโหไม่ได้หรอกคนที่จะมองได้เอาร้อได้เนี่ยคือสามีภรรยาแล้วก็แม้กระทั่งแม่เราเนี่ยแม่ฉันเนี่ยถามว่ามองได้ทุกสวนปะได้ปะให้มะแก้ผ้าฉันดูได้ไหมไม่ได้นะ่ะบาปนะ่ะ แม่กับลูกชายก็มีเอารอมาก็ต้องแต่งกายเนี่ยไม่คุมหัวได้ไม่บาปเสื้อก็ลงมาหน่อยอแขนเห็นได้ขาเห็นได้พี่ชายน้องพี่ชายน้องสาวก็มีเอารอแต่ไม่ได้คุมหัวเห็นหัวได้หัวดำๆได้แม่ยายเนี่ยเห็นหัวได้ไม่เป็นไรสลามจับมือได้มีเอารอหมดเลยนะทุกคนมีเอารอกันหมดมีอยู่มีอยู่อย่างเดียวไม่มีเอารอสามีภรรยา ทำไมอิสลามไม่อนุญาตให้หลับนอนภรรยาพร้อมกันสองคนเพราะเรื่องเอารอดด้วยเพราะผู้หญิงจะมาแก้ผ้าต่ต อ, อ ก, กันด้วยด้วยกันไม่ได้บาปแต่ถ้าสามีภรรยาเปลื้องผ้าต่ต อ, อ ก, กันไม่บาปเพราะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของ <c oughs> การปฏิบัติกิจขอมาอัยด้วยนะครับอันนี้ไม่บาปสามีภรรยาที่เหลือมีเอาร้อหมดแต่แค่เอารอแค่ไหนถ้าเป็นโดยคนทั่วไปก็เหลือจะใบหน้ากับฝ่ามือทั้งคูมียา นะแต่ถ้าขยับขึ้นมาในฐานะเป็นญาติเป็นญาติก็เห็นหัวได้แต่ก็ไม่ได้โป้ะนะไม่ใช่ใส่สายเดียวนี่ไม่ใช่นะใส่เกงคืบนึงเนี่ยไม่ใช่นะบาปนะลูกสาวเราถ้าใส่ขอโทษด้อยู่บ้านใส่เกงคืบเดียวต่อหน้าปา๋าต่อหน้าน้องสะน้องพี่ชายเนี่ยบาปนะสายเดียวมาเลยเนี่ยไม่ได้นะต้องแต่งไกายเรีดเดยบร้อยถ้าจะแต่งมบบนั้นอยู่กับสามีน ะ, ะต่อมาครับเรื่อง วาตุนนาดกอดนอัลลตตลูอัลลตาลูดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการที่พระเจ้าจะไม่ลำเอียงคือการที่มีภรรยาคนเดียวนะก็ไม่ลำเอียงอยู่แล้วคนเดียวเลยอันต่อมาวาตุนนีซาซอดูกอตีฮินน่นหละ และจงให้แก่บรรดาหญิงซึ่งมหัตของนางด้วยความเต็มใจเต็มใจตรงนี้ใครเต็มใจด้วยความเต็มใจก็ทั้งคู่นี่แหละต้อผู้หญิงแต่ผู้หญิงได้เป็นคนตั้งไงอ่าและผู้ชายก็ให้ด้วยความเต็มใจนะไม่ใช่มีแผนการนะไอ้ประเภทหลอกก็มีนะเดี๋ยวนี้ ย, ยกใหม่แบบหนึง่ง เวลาให้จริงอีแบบหนึง่งไม่รู้ทำเพื่ออะไรนะด้วยความเต็มเต็มใจฟาอินติบนและกุมอันชัยอิมมินฮุนัซันแต่ถ้าหากนางว่าเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่พระเ จ, าจา้าจะศีนสอนนั้นฟากูลูฮูฮานีอันมารีก็จงบริโภคอย่างอริดอร่อยและโอชาเถิดงงไหมคืออะไรประการแรกเลยอัลมาร แปลว่าเงินที่กําหนดให้กับสตรีในการทําพิธีนิกาโมฮัมมัดอิบนุอิชชาได้กล่าวว่าคําว่าเนฮลาแปลว่าเป็นเรื่องบังคับที่ต้องทำนะเนฮลาเป็นฟารีรอเป็นสิ่งที่บังคับที่ต้องทําอิบนุจุรอยอธิบายต่อว่าเป็นการบังคับให้ต้องจ่ายไปให้กับผู้หญิง ซึ่งสิ่งที่มีค่าคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจำนิดนึงอันนี้เป็นคำพูดที่ดูดีแต่ว่าไมไม่ถูกลูกสาวฉันเนี่ยกุฎานเล่มเดียวลูกสาวฉันเน่กุานเล่มเดียวฉันไม่เรียกได้หรอกกุฎานเล่มเดียวไอ้กุฎานที่มันนำมาให้นะขอโทษนะมันได้แจกมาด้วย <c oughs> ตรงลงไม่มีค่าเลยนะ <c oughs> ฟรีเลยนะ <c oughs> <c oughs> อะไร ถูกต้องคําว่ากุรอ่านที่นบีให้เป็นมาฮัตีนหมายถึงสอนกุฎอ่านนะไม่ใช่เอากุฎอ่านมาให้ <c oughs> เพราะกุรอ่านในสมัยก่อนนี่เขาไม่ขายกันด้วยนะเขาให้กันฟรีใช่ไหมล่ะ <c oughs> ตกลงทะเลลูกสาวเรามีค่าไม่บอกกุฎอ่านเล่มเดียวเนี่ยไม่ใช่นะกุฎอ่านเผือได้แจง้งมาจากโซดี้เนี่ยมาได้ซื้อด้วยเอามาให้ลูกเราแล้วบอกมีมาเป็นมาฮัตฉันงงเลย นบีที่บอกว่าให้เป็นมหัดเนี่ยอันเนื่องมาจากสอนคุตอ่านไม่ใช่เอามาให้อย่างเดียวต้องสอนด้วยถ้าสอนเนี่ยถือว่ามีประโยชน์นี่แหละถึงจะเป็นมหาธแต่เวลาคนไม่รู้ไงฉันไม่เรียกเลยหรอกคุตานเล่มเดียวอล๋อแล้วมันอ่านไหมล่ะคุตานเล่มเดียวนั้นอ่ะเอาไปมึงไปอ่านไปวางไว้ในตู้ไม่เข้าใจไงดูคําพูดสวยดูมากแต่มันมันถ้าของมามันกรวงอะ่ะมันไม่มีเป็นรูปธรรมเลอะไรกุตานเล่มเดียวคืออะไร อ่านก็ไม่อ่านสอนก็ไม่สอนกุฏอ่านเนี่ยพี่น้องมันก็คือหนังสือถ้าเป็นกระดาษพิมพ์ห ม, มึกเนี่ยจะมีประโยชน์คือตอนไหนอ่ะต้องอ่านปะฮะยะต้องอ่านนะไม่ใช่มาวางไว้ในตู้อย่างเดียวเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอก น, เนะอเ อ, อ, นอ้ไอ่านเออแล้วก็เอามาปฏิบัติตามเอามาสอนนั้นถ้าบอกกูฏนเล่มเดียวหันยะบอกถูกคือเอามาสอนลูกฉันนะเอากูฏะมาสอนลูกฉันนะเนี่ยฉันยกให้แล้วคนที่สอนกุอฏนลูกฉันได้ฮาฟิดกุรอ่านได้ฉันยกให้อันนี้ถูกต้องแต่ไม่ใช่เอากูฏะเป็นเล่มแล้วก็โยนให้แล้วก็จบ ไม่ใช่ดังนั้นให้เรียกสิ่งที่มีค่าเดี๋ยวนี้ทุกวนันนี้อะไรเป็นค่ามีค่าบ้างทองคำอะไรอีกเงินเรียกเป็นที่ดินได้ไหมฮัทยะได้โฉนดมาเลยมาโฉนดมาพร้อมอะไรอีกบ้านรถได้หมดแหละอะไรที่มีค่ามีค่าเอามาเป็นเอามาเป็นมหัทนะครับอ่า และตันกิหูฮาอินละบีชายอินวาจิบินและฮาท่านนาบีบอกว่าท่านจะแต่งงานกับนางไม่ได้นอกที่จะจำเป็นจะต้องมีมหฮัดให้แก่นางเสียก่อนมีคนคนหนึ่งขนิกากระเรียบร้อยแล้วรู้ไหมฮัตยารู้ไหมเขาใช้อะไรนิกาเป็นมหฮัดขอโทษทีรองเท้าเอารองเท้ามาเป็นมหฮัดแล้วก็เอารองเท้าเนี่ยให้ผู้หญิงไป ผู้หญิงผู้ชายคนนี้ยากจนนะ่ยนะมันด้มีสตังค์เยอะแต่ขยันนะคําว่ายากจนนี่คือไม่มีเงินเก็บแต่มีมีมีความสามารถที่จะหาเงินมาจุนเจือครอบครัวได้อ่าคือจนแล้วไม่ทํางานอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องยกให้นะไอ้ประเภทเนี้นเนี่ยเลี้ยงลูกสาวไม่ได้หรอกแต่จนจริงแต่ขยันอันนี้มีโอกาสขยันได้มากได้นอ้อยอีกเรื่องหนึง่งผู้ชายคนเนี้ยเป็นคนขยันแต่ยากจนแต่งานก็เรียบร้อยแล้ว ผู้หญิงผู้ชายก็ไปถามผู้หญิงผู้ชายก็ไปถามยาโรสุรลลล์ฉันไปแต่งงานกับผู้หญิงมาคนนึ่งนบีก็ตกใจไปแต่งงานมายังไงล่ะเออไม่มีอะไรสักอย่างนึงแกเนี่ยฉันนิ ก, ก้าเขาแล้วอะไรเป็นมาฮัทเอารองเท้าให้เขาไปตอนนี้เดินท้าเท้าแรงเท้าแดกแล้วรองเท้าให้เขาไปเป็นมาฮัทนบีบอกเอ้ามางี้มางี้ ง, งี้เรียกผู้หญิงคนนั้นมานบีถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอพอใจไหมที่จะ ให้รองเท้าอันเนี้ยเป็นมาัตผู้หญิงเขยักหน้าอ่านี่กาซอใช้ได้จบพอใจไง่ร อ, องเท้าเนี่ยพอเป็นคนอื่นอาจจะไม่มีค่าแต่อาจจะมีค่าสำหรับผู้หญิงคนนี้ก็ได้ะพราะใส่ไปทำงงทํางานชุน่มอาจจะเป็รองเท้าอย่างดีนะกีนะอาจจะไม่ได้แบบรองเท้าแบบไม่ดีรองเท้าที่ใส่อย่างหนังอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างว่ามหัตเป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมอบให้กับผู้หญิงนะครับ แต่ถ้าหากว่าผู้ชายเนี่ยใช้กำลังบังคับเอามาหฮัดคืนอันนี้บาปแต่งงานกันไปปรากฏว่าโอนไปหมดเลยไอ้ที่มีอยู่ตัวเองไม่มีอะไรกินแล้วเธอคืนมาเดี๋ยวนี้ฉันไม่มีอะไรจะกินแล้วได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเธอเห็นใจโอ้โหบางเดือนนี้ติดลบเลยอะ่ะมาฮัดมาอยู่ที่ฉันหมดลว เอางี้บางเดือนนี้ฉันช่วยแล้วกันเอาไปหมื่นหนึ่งบางาไปใ ช, ช้เอาไปใช้ซื้อของซื้ออะไรกินอันนี้ผู้ชายรับได้ไหมรับได้เกิดจากความพอใจของผู้หญิงที่คืนเองให้เองไม่ได้บีบบังคับอันนี้ผู้ชายกินได้เลยหมายถึงว่าเอามาใช้ได้เลยดัยสบายใจได้เลยนะแต่ต้องเกิดจากความเต็มใจนะครับไม่อนุญาตให้ไปบีบบังคับให้นางนะ เอามาฮัดคืนนะครับอะถึงไหนลแล้วแล้วเดียกี่โมงแล้วสองสามนายี่สิบนาทีนะโอเคเอาสสิบเอ็ดโมงนะยะนะหรือจะเอาเล่นยนเที่ยงเลยเหรอสิบเอ็ดนะครับขอบคุณมากครับผมทําดู่แเป็นมตินะ <c oughs> อะต่อมา พี่น้องจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่อายกุฎาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดถึงการดูแลปกป้องสตรีหมดเลยนะหมดเลยทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องมาฮัด ส, สินสอด น, นะแล้วก็อย่าทําให้เป็นเรื่องเป็นเรื่องคือบางคนเนี่ยไม่เรียกเลยเพราะไม่เรียกปั๊บเนี่ยท้องก็ไม่เห็นคุณค่านะเออคือเรียกหน่อยถ้ามีความสามารถเรียกหน่อยแต่ไม่ใช่เรียกจนกระทั่งไม่สามารถแต่งไม่ถูกเอาตามความสามารถที่เขามีให้นะ แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยโอ้เขาก็มีคนมีสตางค์แล้วก็ไม่เรียกเลยเลยฉันว่าไ ม, ไม่เหมาะสมก็เรียกไว้หน่อยน ะ, ะเรียก ค, ยคือเขาได้เขามีความพยายามเห็นเห็นคุณค่าตรงนี้เอาต่อมาครับเดี๋ยวเราอ่านอายะที่ห้าเวลาตุตุสุฟา อาอัลมลาคุมุลลัติจ้ลลลลุลม์คิยามะอาหายใจลึกๆนะอีกรอบหนึ่ง وَلَا ت ُ ؤ ت ُ ا ال ل ّ ف َ ه َ ا ء َ أ َ م ْ و َ ل َ ك ُ م ُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا و รรุ่งคุม فيها วัคซุ ه มวรรุ่งคุ فيها วั و ซุ و มว่ากูละหุมข้าวุลัมมรฟ อันนี้รอบนึงนะอายะที่หวะลาตุตุสุฟะอะมวะลักุมุลตี่จาลัลลอฮุลลกุมกิยามะ ز ร ق, ز ق, ق ُก ه ห م ม فيها วัคซุห์มว่ากุลุละหุมควูล ع ม ر ُรูฟ ا วาเลตุตุสุฟะฮ์นะและจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาอ่าคําว่าโง่เขลาตรงนี้ฟังดูแล้วโอ้โหมันยังไงล่ะคือคําว่าโง่เขลาตรงนี้ก็คือไม่รู้เท่าทัานอ่าคือเราพเราเราเสียอะไรนะคนนี้ว่าตัวเราโดนหลอกอ่ะล้วก็บอแหมเสียรู้ใช่ไหมเสียรู้แต่คือไม่มีความรู้เลยเออ คือถูกหลอกง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าได้ให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าที่อัลลอฮ์ทรงให้เป็นสิ่งคำจุนแก่พวกเจ้าอ่าวะรูกูฮุมเป็นปัจและจงให้ปัจจัยังชีพวกซูฮุมและเครื่องนุ่งหม่มแก่พวกเขาในทรัพย์สินนั้นอ่า เดีวเราายละเอียดนะิด น, นึงนะว่ากูรูลาหุ่มเกาลันมาอรูฟาและจงพูดจาแก่พวกเขาด้วยคำพูดที่ดีตรงนี้พี่น้องครับยังอยู่ในเรื่องของเด็กกัมพาให้กักทรัพย์ของเด็กกัมพาเอาไว้ก่อนในกรณีที่เด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารแม้ว่าจะบรรลุศาสนาภาวะแล้วนะแต่ยังคือยังไม่รู้ดิิงสาเลยเลย คือให้ไปนี่ไปไงเ ล, เละเละแน่เอาไปซื้อยาบ้าแน่สมมุติเนี่ยยังมีประวัติเสพยามาเนี่นะแล้วก็เราคนดูแลอ๋อ ม, มันรลุแล้วอะปะคราวนี้คราวนี้มันไปเลยเสพยาให้กักไว้ก่อนนะอัลลอฮ์บอกว่าทรงห้ามมิให้คนใดเนี่ยใช้จ่ายทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ประทานมาให้เช่นเอาไปทำธุรกิจนะการค้าหรืออื่นๆณนะจุดนี้ จึงให้มีการกักนะมิให้คนโง่เขาใช้ทรัพย์สินของเขาซึ่งมีหลายมีหลายประการปรประการด้วยการหนึ่งบางครั้งให้กักทรัพย์สิสนไว้ใช้ให้กักบางครั้งการกักนั้นมิให้ใช้จ่ายทรัพย์อันเนื่องจากเขายังเล็กอยู่ประการแรกที่ยังไม่ให้ทรัพย์เขาเนี่ยเพราะเขายังเล็กอยู่ยังเป็นเด็กอยู่สองโตขึ้นมาแล้ว แต่ปรากฏว่าสตีสตังไม่ค่อยดีคนไม่ค่อยเต็มเต็งเท่าไหร่ไม่ใช่ได้เด็งสากีไม่เต็มคนบ้าตอนเป็นเด็กก็ยังก็ยังไม่ได้จ่ายไะพอโตมาบ้าอีกกอมาอัพทีไอแบบนี้ก็กักไว้ก่อนเพราะว่าสักพักหนึ่งอะไรงมีตังอยู่สองหมื่นไปซื้อลูกอมกินหมดเลยเงี้ยเออนี่ให้คนดูแลอย่าเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวไปซื้อลูกอมหมด กักไว้ก่อนเพราะเพะบ้าแล้วสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งให้กักเอาไว้ก่อนอันเนื่องจากเป็นคนที่ขาดสติหรือไม่รู้ศาสนาเออไอเดียมันไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาให้มารู้ศาสนามากกว่า น, นี้มันจะได้รู้ว่าตังเนี่ยอันไหนใช้ฮารอมฮารานใช่ไหมนี่เล่นด่าไปหมดเลยเอาไปเรียนศาสนาก่อนเรียนจนกระทั่งมีความรู้ศาสนารู้สิ่งฮารานฮารอมแล้วเอาคอยเอาเงินไป บางครั้งกักเอาไว้ก่อนเพราะอันเนื่องมาจากเป็นคน ล, ม ล, ะละ้มละลายมีหนี้สินมากไม่สามารถช ด, ชดใช้ได้และก็ น, นี่นี้ก็ให้ไปร้องสอสารให้กักเอาไว้ก่อนอืมอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะไม่ถึงมีหนี้ยังไงเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไรข้ามไปก่อนนะอ่ะเท่านั้นสามอันเนี่ยไม่ใช่แปว่าพอบรรลุศาสนะภาวะแล้วให้ตูมเลยต้องประเมินก่อนบรรลุศาสนาภาวะแล้ว บาบาเขา บ, าบาอกต้องเดินไม่ค่อยรู้เรื่องบุญฐาไม่เป็นกักไว้ก่อนหรือเป็นคนที่อะไรไม่รู้เรื่องศาสนาเลยยังไม่รู้เรื่องคาล้านทารอมเลยกักไว้ก่อนอยากจะได้สตังใช่ไหมไปเรียนศาสนาให้รู้ก่อนใ จ, จ่ายสกงสกัดยังไงมีความรู้เอาเอ้าตังไปถ้ายังสามเลรเทเมายังติดยาแบบนี้ยให้ตังไม่ได้หรอกใช่ไหมให้ใยายกเ็เรียบร้อยอนี่คือสิ่งที่ศาสนาบอกนะ แลวก็แต่ว่าในฐา น, นะของคนที่ดูแลเนี่ยสิ่งที่ต้องให้ก็คืออะไรเรื่องของและจงให้ปัจจัยอย่างชีพคืออะไรมีคำสั่งให้ใช้จ่ายแก่บรรดาคนที่ตกกักขังด้วยดีอ่าหมายความว่าเวลาที่เขาจะใช้อะไรเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาของคนที่ดูแลทรัพ์คนที่คนดูแลรัพ์คงมีคุณสมบัติที่เป็นรชีต ด, ด้วยนะรชีตแปลว่าคนที่เฉลียวฉลาดมีความรู้ คือพูด ง, ง่ายๆสามารถบริหารทรัพย์ได้เช่น เ, เขามาบอกว่าเนี่ยเขาจะต้องใช้เรื่องของการไปซื้อเสื้อผ้าอ่า ห, ห, หรือต้องมีซื้อเตียงซื้อเตียงพยาบาลสมมุติไอ้คนที่จะโอนน้ำมัดเงินเนี่ยก็ต้องรู้เด้อเออเฮ้ยต้องให้แบบไหนไอ้นี่เล่นเอาซะแบบของต่างประเทศเแพงๆเลย น, นี่เกินไปเกินตัวไปนะคือใช้อย่างฉลาด่นะอ่า ท่านอาลีบินอบีตอลฮะได้รายงานมาเอามาจากอิมูอับบาสบอกอย่าได้นําทรัพย์เงินทองที่อัลลอฮฺประทานให้แก่ท่านเป็นปัจจัยยังชีพเนี่ยไปมอบนะไปมอบให้แก่ภรรยาและลูกแล้วคอยดูแลเขาในการใช้จ่ายว่าเขาใช้จ่ายอย่างไรอ่พูดง่ายๆก็คือคนที่สมมตินะสารเนี่ยมีภรรยามีลูกเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ตังค์ลูกอย่างเดียวเลยได้ปะ ต้องอะไรด้วยครบคุมการใช้เงินของเขาด้วยให้เงินโรงเรียนร้อยหนึ่งต้องถามเขาด้วยนะเขาไปซื้ออะไรบ้างไม่ใช่ไปซื้อก็โทษไปซื้อหนังสือโปมาดูเงี้ยมาผาไปซื้อบุหรี่ให้ตังไปสองร้อยซื้อบุหรี่มาดูหมดเลยเนี่ยไม่ได้นะ่ะคือให้ควบคุมดูแลสตังที่เราให้เขาไปด้วยนแล้วก็ถ้า ดูแล้วให้ไปเยอะแล้วเสียคนมีไม้มบางคนได้ตังค์แล้วเสียคนมีก็ให้ควบคุมสตังค์เอาไว้แล้วจ่ายเฉพาะที่จําเป็นพูดยังไงเหมือนคนดูแลให้เลยนะโดยที่ตัวของท่านน่ยใช้จ่ายและเลี้ยงดูอุปการะเขาคือเขาจะเป็นเรื่องที่จําเป็นนี่ก็ต้องให้เขานะเช่นเรื่องอาหารเนี่ยต้องให้เขาเรื่องเครื่องดูดหูอันนี้ให้แต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องใช้แบบส่วนตัวเนี่ยให้พิจารณาดูว่า ไปในไปในทางที่เป็นประโยชน์มากกับตัวเขามากแค่ไหนนะมุจาฮิตบอกว่าและจงพูดจากับพวกเขาด้วยคาพูดที่ดีอธิบายคำพูดของนอร์นะที่บอกว่าวากูลูละหุมเกาลันเกาลันมาลูฟาหมายถึงทำดีกับพวกเขาและสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาคนที่เอามาดูแลเนี่ยเคยมีใช่ไมมีคลิปออกมาเนี่ย ปรากฏว่าคนที่เป็นครูที่ดูแลเด็กกำพ้าเนี่ยพูดจาหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูแล้วก็พูดจาไม่ดีพี่น้องอันนี้ไม่ใช่มารยาทของอิสลามนะยิ่งดูแลเด็กกำพา้าคุณต้องยิ่งพูดเขาให้เรียบร้อยยิ่งเป็นมุสลิมเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย hey, เป็นน่ยครูฉันสนิทกันพูดจาเฮ้ย hey, ให้ไม่ใช่มันก็จะซึมมาใจคนที่เป็นครูที่สอนหนังสือแหละต้องพูดจาดีๆมาเฮ้ย hey, มาให้มาอะไรไม่ใช่พูดจาให้เรียบร้อย และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาเปรียบเสมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งอยาย่นี้บ่งบอกถึงความดีงามโดยเฉพาะความดีงามที่เริ่มต้นต่อบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่อยู่ใต้การดูแลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสภาพดังกล่าวหมายถึงว่าบุคคลที่เราใช้จ่ายให้กับเขาตรงนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเป็นการเตือนว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนให้ตังค์เราจะพูดยังไงก็ได้ คือบางคนเนี่ยใหญ่ไงพอให้ตังค์ปั๊บจะโขกซับยังไงก็ได้อันนี้ไม่ถูกต้องพูดจาดีๆแล้วก็ทําดีเจ้านายก็เหมือนกันคิดว่าให้เงินลูกน้องใช่ไหมจะโขกซับยังไงก็ได้ดูถูกเหยียดหยามยังไงก็ได้ไม่ได้เนี่ยเอาล็อสั่งเลยนะแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนจ่ายตังค์เขาก็ตามให้งานเขาก็ตามแต่ไม่ใช่เมื่อให้เงินเขาแล้วเราสามารถจะพูดจาหยาบใครยเขาได้พูดจาไม่ดีเขาไม่ได้ต้อง พูดจาดีๆกับเขามารยาทที่ดีกับเขาและตรงกันข้ามไอคนที่รับการดูแลเนี่ยมีสิทธ์อะไรไปพูดไม่จาไม่ดีกับคนที่ให้การดูแลไหมยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เลยยิ่งหนักก็ไปใหญ่เลยดูได้รับการดูแลต้องพูดจาดีๆกับเขาด้วยเขาเป็นคนที่ดูแลเงินให้เราเนี่ยหาเงินสตง้งสตา ง, งมาให้ต้องพูดจาเรียบร้อยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกพ่ออะไรเพราะคนเราเนี่ยมันจะมีสักกี่คนพี่น้องที่ลุงนะที่ขอโทษนะที่ลุงน้องด่าเจ้านาย ขึ้นมืองขึ้นกูกูเจ้านายไม่ค่อยมีหรอกถ้ามีมันก็นกนโดนไล่ออกแหละเออแต่จะมีพบเจอเยอะมากที่สุดคือเจ้านายที่พูดไม่ดีกับลูกน้องหรือคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพูดไม่ดีกับภรรยาพูดไม่ดีกับลูกแล้วก็อ้างวะแหละก็ฉันหาเงินมาจ่ายจะทําอะไรก็ได้อ่าอ้างบุญคุณซึ่งจริงมันคือหน้าที่นะ <laughs> มันคือหน้าที่ที่ต้องทําถ้าไม่ทําถามว่าเราบาปไหมบาปสิไม่ทำเกย์ก็ บ, บาป อ่าถ้าในกรณีแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายแน่นอนแหละมันก็เป็นเรื่องของการทําดีแต่มันเป็นทําดีบนสิ่งที่จําเป็นอ่มันเป็นสิทธิหน้าที่อเขาต้องได้รับดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายฟังอายะกูรานนี้แล้วเนี่ยจึงเห็นได้ว่าหนึ่งคนที่ดูแลทรัพย์เด็กกำพร้าหรือดูแลทรัพย์คนที่อยู่ใต้การปกครองหนึ่งโกงไม่ได้โกงไม่ได้สองโกงไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่พอสับเปลี่ยนยังไม่ได้เลยเอาของไม่ดีมาไว้ของตัวเองของไม่ดีให้เขา ก็ไม่ได้อันที่สามถ้าจะไปทำให้เขาเนี่ยไม่ไม่ได้รับสิทธิ์พึ่อที่จะได้รับปกติเช่นมหัศนางสามารถที่จะเรียกได้หรือจะเอาทรัพย์เขาอย่างเดียวแล้วไปบังคับให้มาแตง่งอันนี้อิสลามก็ห้ามให้นางมีสิทธิ์ทีีจะไปแต่งงานคนอื่นนะอันที่สุดท้ายอันที่สี่เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ให้อย่างเดียวแต่ให้แบบฉลาดต้อง บริหารจัดการในเขาด้วยถ้าเป็นบ้าก็าไว้คอนเอาไปจ่ายเฉพาะใครยะอะไรที่จะไปซื้ออะไรไม่มีได้สละต้องควบคุมดูแลด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อเราเป็นผู้ที่ดูแลไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติต่ตอคนใต้ปกครองอย่างไรก็ได้ไม่ใช่อิสลามบอกเลยนะ <c oughs> ว่กูลูละหุมพวกท่านทั้งหลายจงพูดดีกับพวกเขาเกาลัมะาูฟาพูดให้สุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยกับพวกเขาแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูใต้การดูแลของเราก็ตามต้องเอนดูและ พึงปฏิบัติมารยาทดีเมื่อเราทำดีแบบนี้สิ่งที่แล้วกลับคืนมาก็จะเป็นความดีงามกลับมาด้วยไม่มีใครหรอกครับที่ด่าไปแล้วพูดจามไม่ดีแล้วจะได้รับการตอบแทนดีกับมันก็จะคืนมาแบบเดียวกันนะแล้วคำพูดเป็นยังไงคาพูดเป็นยังไงคาพูดเป็นอย่างไ ร, างไรการกระทำก็เป็นอย่างนั้นนะมันตรงกันแหละพูดไม่ดีคำการกระทำก็จะตามมาไม่ดีด้วยนั้น ไม่เป็นเป็นไปนไม่ได้นะไอประเภทที่บอกว่าอ้ยถ้าเขาพูดเขาด่าเนี่ยเขาจริงใจอัลลอฮฺอักบไอเนี่ยมันขายขอมันด่ า, ด า, า, ดาสะพัดเลยดา่าโอ้โหไม่รู้ขอโทษนะถัาสวนสัตว์เนี่ยไม่รู้กี่สวนสัตว์แต่บอกว่าไอเนี่ยมันค้าขายจริงใจแต่พอตรงข้ามไอคนพูดจาเรียบร้อยเสยแสร้งตลลงจะเอาอะไร <c oughs> นี่แสงตักกะวิบัตของคนสมัยนี้ พูดจายิ่งหยาบคนชอบซึ่งคนที่ชอบนี่พวกไหนพวกเดียวกันขอมาฟนะนี่ไอ้ที่ชอบเนะี่ยพวกหยาบเหมือนกันพันเดียวกันนี่เขาเรียกคือคื อ, ค, อคือกันคือกันใช่ไหมกี่ทดาคําแล้วก็โหชอบจังเลยมันจริงใจว่ะเออไม่ใช่แล้วอิสลามสอนตรงพูดเรียบร้อยส่วนจะเสแสร้งไม่เสแสร้งรู้ชี้ใจเขาเราไม่รู้ได้ไงก็าอาจจะจริงใจก็ได้ แ ต, แต่เบื้องต้นเนี่ยเขาดีแล้วเขาพูดถูกต้องแล้วแต่ดาเนี่ยเริ่มต้นดีไหมไม่ดีแล้วจะบอกจริงใจออืจริงใจต้องด่าด้วยหร อ, <c oughs> อพูดตรงกับด่าคนละเรื่องนะพูดตรงเนี่ยใช่จริงใจมากี่พูดตรงตรงเลยอันนี้อันนี้จริงใจแต่มาถึงไอ้นั่นแล้วก็ด่าแล้วก็บอกจริงใจไม่ใช่แล้วอันนี้มั่วนะตร ก, กาวิบัติสังคมสมัยนี้นะดงนั้น ลูกหลานของเราพี่น้องให้พูดจาให้เรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งคนที่อยู่ใต้การปกครองก็ต้องพูดจาให้เรียบร้อยนะส่วนคนที่ได้รับการดูแลยิ่งหนักเลยต้องพูดจาให้เรียบร้อยนะเข้าไปใหญ่เลยเพราะเขาถือว่าเป็นคนที่ให้การดูแลเรานะต้องขอบคุณเขาให้มากๆนะครับอ่ะตรงนี้พี่น้องก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเผื่อพี่น้องจะได้มีทุะไปทาอย่างอื่นหรือพักผ่อนฉันเองเนี่ยตั้งแต่ตีสองเนี่ยยังไม่ได้ได้ไม่นอนนะ ลุกมาจัดรายการอ่านหนังสือนะครับเดี๋ยวอิชาล์ลหลังจะก บ, บ่ายไปแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนพาภรรยามาด้วยนะกลัวหลับควัวหลับไหนมาด้วยกันจบเทอยยะที่หนะ้านะเขาหน้ามาต่อหกนะครับอ่ะสุบฮานะก็ลอคุมมาอวบิฮัมดิกาอัชดูอลัลลออีลฮะอิลลาอันตะอัสตัฟิรูกะวะตูบุลัยอัสสลามุอะลัยกุมรามตุลลอฮ์วะบรกะตุ